ตอนต่อปัญหาสภาวธรรมวันที่21มีนาคม2558กาบนมัสการพระคุณเจ้าคุณเม่ชีกาลยมิตรทุกคนก็นั่งสบายๆเนาะก็มีคำถามนะพวกครูไม่ได้เรียบเรียงคนนั้นยื่นให้ใบหนึ่งคนนี้นยื่นให้ใบหนึ่งเยอะเหมือนกันเนาะจะไปไว้ๆเนาะที่พวกครูบอกว่าไม่ให้สุดตงข้างใน หรือหลงติดข้างในหมายถึงว่าเราไม่ควรไปให้ความสำคัญภูมิใจหรือน้อยใจเสียใจไปกับสิ่งที่ปรากฏในกรรมฐานแล้วยังแสดงความรู้สึกนั้นๆออกมาเมื่อออกจากกรรมฐานแล้วใช่ไหมคะเช่นออกจากศาลาแล้วยังเรียกกันว่าสเสด็จพี่สเสด็จน้อง เจ้าคุณปู่เจ้าคุณตาท่านแม่ทัพหรือมานับญาติกันเป็นแม่เป็นลูกหรือเป็นคู่แค้นคู่อริกันแล้วมาทำร้ายกันนอกกรรมาฐานหรือสารสัมพันธ์ในอดีตชาติแต่กระทำต่อในปัจจุบัน การหลงติดข้างในมีผลเสียที่เห็นได้ชัดคือผิดสมมุติคนอื่นในปัจจุบันแต่ที่จะขอเรียนถามคือการหลงติดข้างในมีผลเสียต่อการเดินทางธรมอย่างไรคะอันนี้คำถามนะคือการหลงติดข้างในนะการหลงติดข้างในมีผลเสียต่อการเดินทางทมอย่างไรคะ มันเสียเพราะมันหลงติดนะการหลงติดข้างในโลภกอดหลงคือที่มาของทุกติดอะไรก็คือหลงนะเราเข้าไปในอดีตเนี่ยพุทธเจ้าไปละลึกชาติเพื่อเรียนรู้เรื่องกฎแห่งกรรมเรื่องเวียนว่ายตายเกิดบาปบุญคุณโทษนะไม่ใช่ไปติดอดีตนะอันนี้คำว่าหลงติดติดก็คือไม่ดีติดก็คือหลงโลภกอดหลงก็คือตัวทุกข์ คำตอบพราะครูถึงบอกว่าพระ อ, องค์แสดงให้เห็นว่าบัมพชิดไม่เสพบส่วนสุดตรงสองส่วนข้อระหว่างของคู่ถูกผิดดีชั่วขาวดำผู้หญิงผู้ชายซ้ายขวาร้อนเย็นและโดยเฉพาะการเจริญวิปัสสนานี่มันมีข้างนอกข้างในข้างนอกคือกายข้างในคือจิตข้างนอกเราติดอะไรเราติดความคิดคิดมันทุกเรื่อง ได้ยินปุ๊บคิดเห็นปุ๊บคิดคิดคิดคิดคิดคคิดสร้างโมโนกรรมตลอดอันนี้เราติดข้างนอกพอเข้าไปในจิตใต้สํานึกล่ะอ้าวไปหลงติดทําในธรรมคือทํามอารมณ์ไปหลงติดอารมณ์ข้างในแล้วเห็นไหมเสด็จพี่เสด็จน้องนะเออมาสารถ้าไม่ระวังนะที่เมื่อเสาร์ที่แล้วดี่พ่อคูอ่านเออ ที่คุณอะไรล่ะด็อกเตอร์อะไรที่กรุงเทพเขียนมาแบ่งปันอะนะเห็นไหมก็ไปเห็นถึงอดีตว่าเคยเป็นเจ้าคุณเป็นสเสด็จพี่สเสด็จน้องรักกันอะไรๆเนี่ยอารมณ์นั้นมันส่งถึงภาคปัจจุบันนะถ้าเราไม่ระวังเนี่ยเราก็ไปผิดศีลผิดธรรมต่างคนต่างมีครอบครัวแล้วเนี่ยที่คนเรามีชู้มีกิก๊กมีอะไรเนี่ย มันไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆหรอกส่วนหนึ่งมันเกิดจากจิตเวลานี้ปรุงแต่งส่วนหนึ่งมันเกิดจากวิบากกรรมเก่าที่มันบันทึกเป็นสัญญาไม่เจอในกอถูกชะตามากเจอในขอหมั่นไส้นะมันพูดแบบเหตุผลแบบตักกะไม่ได้ถามว่าทำไหมมันไม่มีเหตุผลมันไม่มีเหตุผลนะมันเป็นเรื่องของข้างในที่เราฝังมันเป็นกรรมเก่านะอันนี้ก็ คำตอบสั้นๆก็คือว่าคำถามก็อยู่แล้วเนี่ยการหลงติดข้างในเห็นไหมการหลงติดข้างในมันมีความว่ามันหลงมันติดมันก็คือไม่ดีนั่นแหละมันเป็นผลเสียต่อการเดินทางเมื่อเราหลงป่าเราหาทางเดินออกจากป่าเราเดินป่าแทนที่จะมุ่งมั่นเดินไปเฮ้ย hey! ดอกไม้นี่สวยไหมเกิดไม้ไม่เคยเห็นเลยนะี่ยไปไปวิจัยมันล่ะถ้าเราเป็นนักวิจัยนะเราไม่เราไม่ปล่อยอะไรพลาดโอกาสเลยออ้ยเราเห็นก่อนเพื่อนเลย นะเราต้องไปวิจัยมันแล้วประกาศว่าฉันเห็นก่อนเพื่อนฉันรู้หมดเลยมันคืออะไรบางคนติดสวยๆกังานไม่ได้วิจัยหรอกเห็นมันสวยปุ๊บวิ่งเข้าไปหามันเห็นไหมไอ้สิ่งเหล่านี้แหละมันหลอกให้เราดุดออกจากการเดินทางเห็นไมอุ้ยอากาศก็ร้อนเห็นเสียงน้ำตกมาโอ้โหสวยก็สวยไปเล่นน้ำดีกว่าเห็นไมผัดวันประกันพรุ่งเดี๋ยวไปก็ได้ บังเอิญไปเล่นน้ำพลาดพังมาตกเหวตายก็เลยไม่ต้องเดินทางออพลาดพังมาเสือมามันก็กินเราคือคื อ, คอเรามีความอยากนี่ยเราถึงติดข้างนอกก็ติดข้างนอกก็ติดนะติดความคิดติดเวทนาติดอารมณ์ข้างนอกเข้าไปข้างในก็ติดธรรมอารมณ์นะธรรในธรรมคือธรรมอารมณ์อารมณ์ในอดีตนี่เรียกว่าธรรมอารมณ์มันเป็นธรรมอา ร, รมณ์จำอารมณ์ เอฉันเคยเป็นแฟนเขาจริงๆในอดีตนะก็มันจริงๆในอดีตแต่ปัจจุบันมันไม่จริงแล้วไงมันเป็นอนัตตาไปแล้วมันไม่จริงแล้วนะจิตเราก็เป็นหลง ม, มันนะเสียเวลาเดินทางเสียเวลาเดินทางนะเราจะรู้ได้อย่างไรว่าอาการที่แสดงออกกับร่างกายของเราเช่นปวดหัว ความดันขึ้นสูงมากหรืออาการเจ็บป่วยเป็นอาการที่เกิดจากธรรมลมหรือเป็นอาการทางกายภาพเวลาเรานั่งอยู่อย่างเงี้ยเรานั่งกับมาฐานอยู่โอ้ยเจ็บเจๆบเจ็บเจ็บนะเหมือนเราไปเห็นว่าเราเคยไปหักขาไก่ แล้วเบิงในเวลานะลมเราเรากลายเป็นเหมือนเราไก่ถูกหักขาแล้วก็เจ็บพอออกจากกรรมาฐานปุ๊บมันมาหายเห็นไหมเดินออกไปกินข้าวชั่วโมงหน้ามานั่งปุ๊บมันเจ็บต่ออันนี้เป็นธรรมะลมถ้ามันเจ็บจริงๆริมันต้องไม่หายนะอันนี้แหละคือเป็นอารมณ์ในอดีตแต่เรารู้สึกเจ็บจริงๆเรารู้สึกเจ็บจริงๆแต่มันไม่จริง ไอ้วานรู้สึกเจ็บจริงๆคือให้จิตเราเนี่ยจ่ายนี่อันนั้นเรียกว่าธรรมลมนะแต่ถ้าเกิดว่าเราถูกมอไซค์รถถูกเราขี่มอไซค์คว่ำขาหักนะแล้วมันเจ็บทางกายภาพจริงๆอันนี้เป็นเรื่องของปัจจุบันไม่ใช่เรื่องธรรมลมนะทีนี้บังเอิญรธรรมลมในอดีตเน่ยถ้าเรานั่งไปแล้วนี่มันแสดงตัวแล้วเนี่ย ทำให้กายภาพเราเหมือนมีอาการอย่างนั้นจริงๆนะทมอารมณนั้นมันส่งผลทางกายภาพด้วยบางคนนั่งไปนั่งมานี่ยอาเจียนออกมาเป็นเลือดเป็นกระโถนเลยนะไปเอกทะเลไปอะไรไม่มีอะไรเลยนะเคยมีสตรีท่านหนึ่งมานั่งมากับคุณแม่ตอนนั้นการกดนอนอยู่ในศาลาเนี่ยกลางดึกนะ ขึ้นมาจะไปกินเลือดไปดูดเลือดแม่นะหลายคนนอนด้วยกันนะแล้วตาเขาเนี่ยปากเขาเนี่มีเลือดไหลออกมาจริงๆเลยนะนะมันเป็นอารมณ์ในอดีตที่มันเป็นผีกระสืออะไรพวกนี้นะมันแสดงกายภาพอันนี้เรียกว่าทำอารมณ์ทำอารมณ์ได้ยังไงเลือดออกมาจริงๆเลยจับไปเอ็กซเรย์อะไรๆก็ไม่เจออะไรในนั้นนะจะยังไงก็ช่าง จะเป็นธรรมลมหรือเป็นกายภาพเราเกิดจริงๆเราเป็นโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยไม่มีแม้แต่หนึ่งอย่างไม่เกี่ยวกับผลของกรรมบี้หมัดหมาปวดหัวหักขาแย่เป็นอมาาพาสนะไม่ต้องไปสนใจหรอกมันเป็นเพราะอะไรเรามีหน้าที่รับกรรมมันอย่างเดี๋ยวยอมรับมันยอมรับมันแต่อย่าไปทุกข์กับมันมันเจ็บเรารู้ว่ามันเจ็บก็รู้ว่ามันเจ็บ แต่อย่าไปเจ็บตามมันนะเราคือจิตตัวรู้แต่ถ้าเราไม่ยอมรับแล้ไม่อยากเจ็บมันเจ็บอ่ะมันเจ็บอยู่ที่นี่สิบเซนมาเจ็บอยู่ที่ใจเก้าสิบเปอร์ซ็นเป็นอุปทานเจ็บเจ็บเจ็บเจ็บเจ็บเห็นไหมเจ็บนี้เป็นอุปทานนะแม้กระทั่งคําว่าเจ็บนิทาซานมันก็ไม่รู้นะมันไม่รู้คําว่าเจ็บคืออะไรแต่ไม่ใช่มันมันมันไม่รู้สึก ที่เราเรียกว่าเจ็บน่นมันรู้แต่มันรู้นิดเดียวมันก็สักแต่ว่ารู้นะเพราะเพราะเราฝังลากลึกแล้วว่าเราฝังไว้แล้วว่าเจ็บไม่ดีเราชอบสุขสบายถ้าเกิดมันเจ็บปุ๊บมันจะเกิดอุปทานเลยไอ้ความเจ็บมันจะลากเข้าไปเจ็บมากๆเลยนะบางคนถูกยิงปืนหรือว่าไส้ติ่งแตกมันห่างหัวใจจังแยะเลยทาไมบอกมันตายเพราะไส้ติ่งแตก ไม่ใช่ตายเพราะไส่ติ่งแตกตายเพราะเราทนบาดแผลไม่ไหวทนความเจ็บหัวใจวายตายเป็นอุปทานนะก็ไม่ต้องไปแยกแยะหรอกมันคืออะไรเรารู้เฉยๆแล้วก็เหวี่ยงทิง้งนะเรานั่งกรรมาฐานเราเห็นนิมิตต่างๆเห็นโน่นเห็น น, น, น, นี่เราเป็นโน่นเป็นนี่เราเห็นจริงๆเราเห็นจริงๆชัดเจนมากแต่สิ่งที่เห็นนะ่ะมันไม่จริง ถึงมันจะเป็นจริงในอดีตก็ช่างแต่มันผ่านไปแล้วไอ้ตัวนี้เป็นนิมิตมันเป็นอุปทานของจิตทำให้จิตปัจจุบันเนี่ยเห็นนิมิตนั้นเพื่อสัมผัสอารมณ์นั้นเท่านั้นเองนะเหมือนเราลงไปนรก เ, เห็นเขาต้มนะจับพวกคนตกนรกได้ไปต้มไปขึ้นต้นนงี้ยวจิตเคาสะท้อนภาพนิมิตนั้นน่ะทำให้เราสัมผัส อารมณ์นั้นทุกเหมือนถูกต้มทุกเหมือนขึ้นต้นยิว้วแต่นรกมันไม่ใช่อย่างนั้นจริงๆมันไม่มีอย่างนั้นมันไม่ใช่เป็นแดนจิตเราเป็นทิพจิตเราเป็นทิพจะเอาใครไปต้มหรอจะเอาใครไปขึ้นต้นยิ้วหรือนะเราเห็นจริงแต่สิ่งที่เราเห็นมันไม่จริงมันเป็นอุปทานนะการที่เราเข้ากรรมาฐานแล้วทำท่าซ้ำๆ เป็นเวลานานเช่นหลายๆสั ป, ปดาห์หรือหลายๆเดือนเช่นเต้นท่าซ้ำๆหมุนท่าซ้ำๆลามวยท่าซ้ำๆร้องคําซ้ำๆหมายความว่าเราจะหลงติดข้างในหรือเปล่าคะอยู่ที่เจตนากําชี้เจตนาอย่างเรานั่งเราเลือกวิธีพุทโธยี่สิบสามสิบปีก็พุทโธนะ เราเคยออกกำลังกายโดยที่เราตื่นเช้าทุกวันแล้วก็ไปวิ่งอันนั้นเป็นแค่กิริยาเป็นแค่เทคนิคที่จิตเรามันเลือกที่จะมาเป็นการเจริญสติหรือการฝึกสมาธินะมันไม่ใช่เรื่องติดหรือติดหรือไม่ติดแต่ถ้าเราไปหลงติดมันเมื่ อ, อไหร่นะพอเราไปเจอวิธีอื่นปุ๊บเราบอกไม่ใช่นั่นเราคือเราติดนะ ไอ้วิธีที่เราทํามันไม่ได้ผิดมันเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งเป็นอุบายวิธีเป็นกิริยากรรมชี้เจตนานะแต่ถ้าเราไปทําไปทํามาจนเป็นความเคยชินแล้วก็ไปติดมันแล้วก็ไปยึดมั่นถือมั่นว่าต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นอันนั้นคือติดนะมันเป็นอะไรล่ะคือจิตเดิมเรามันเคยฝึกแนวนั่นมาเห็นไหยเขามีความชํานาญแล้วเนี่ย พอเรารีวิวไปถึงตรงนั้นเขาก็เอาโปรแกรมนั้น่ะมาถ่ายทอดให้จิตปัจจุบันร่างกายปัจจุบันก็ฝึกกับตรงนั้นมันเป็นการเรียนรู้นะเราทําไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวตัวนั้นมันชํานาญแล้วเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนกบโปรแกรมใหม่นะสําคัญว่าจิตปัจจุบันเรากำลังไปเรียนรู้ตรงนั้นนะ่ะเราก็อย่าไปติดมันสิถ้าไม่อยากติดเราก็อย่าไปติดนะแต่ไม่ติดไม่ได้หมายของว่าปฏิเสธมันนะ ขยะขยงหรือกลัวมันถ้ากลัวมันก็ไม่ต้องปฏิบัติไม่ต้องเข้าไปก็นั่งอยู่เฉยๆเห็นไมแต่ที่นี่เรานั่งเฉยๆไอ้โปรแกรมกรรมข้างในแล้วก็เราก็ไม่สามารถไปดึงเอาอาดีตบา ร, รมีเรามาต่อ ย, ยอดเข้าไปอย่างระวังอยู่ข้างนอกก็ต้องระวังระวังความคิดนะระวังกิเลสตัณหาอุปท า, านเรา เผอปุ๊บมันจะเล่นเราเลยล่ะอันนี้ก็สำรวมระวังเข้าไปข้างในก็ระวังเรื่องอารมณ์ข้างในโดยเฉพาะอาดีต ท, ที่เราผูกพันกันมาเนี่ยนะเออมันผูกพันกันมาแล้วเนี่ยนะเราเกิดมาเพื่อจะแกะเงื่อนปลดเงื่อนตรงนั้นถ้าเราไม่ระวังปุ๊บเราจะผูกต่อกาเก่าบวกกาใหม่คือผลนะจริงๆแล้วกมเก่าเราไปยอมรับมันเท่านั้นเองเราเปลี่ยนมันไม่ได้ แต่กรรมปัจจุบันนี่เราเลือกที่จะสารกรรมเก่าต่อหรือเราจะแกะมันมันอยู่ที่เราแต่ถ้าเราไม่มีสติปัญญาเนี่ยโดยเฉพาะเรามีกิเลสปัจจุบันเนี่ยเราก็ไปเพิ่มไปผูกต่อไปนะข้ามภพข้ามชาตนะิการรู้ตัวทั่วพร้อมจะทำอย่างไรคะคำตอบคือไม่ต้องทำอะไรถ้าเราไม่ต้องทำอะไรมันรู้ตัวทั่วพร้อมตามธรรมชาติของมันอยู่แล้ว แต่ตอนนี้มันไม่รู้ตัวทั่วพร้อมเพราะว่าเราคิดนะเราคิดตามกิเลสเราทำตามกิเลสไอตัวกิเลสก็าสร้างอารมณ์มาครอบงมสติเรารู้ตัวทั่วพร้อมรู้แบบธรรมชาติเห็นไหมเราขี่จักรยานเนี่ยเห็นไหมขาก็ถีบไปมือก็จับแผนตาก็มองหน้านั่นคือสติสัมปชัญญะไม่ต้องฝึกแต่พอเราขี่ปุ๊บคิด นะคิดถึงเรื่องกอเรื่องขอตอนนี้แหะไอ้ตัวรู้ตัวทั่วพร้อมมันหายหมดมันถูกไอ้ความคิดนั้นครอบงำไว้คําตอบคือไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องทําอะไรมันรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่แล้วตามธรรมชาติของมันเห็นไหมเหมือนช่วงนี้นะพุกมารายงานว่ามดทุกๆุกเผ่าพันธุ์เลยล่ะตอนนี้มันเคลื่อนย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านห้องพักเรา อากาศมันร้อนมากเขารู้ารู้ด้วยสัญชาตญาณแม้กระทั่งฝนจะตกเขารู้ล่วงหน้าเขาก็มูเข า, เข า, เขาเมอนพระอาหารหันนะนั่นแหละเขารู้ตัวทั่วพร้อมเป็นสัญชาตญาณตามปกติเขาไม่ได้คิดเอาเขาก็เลยสัมผัสเขามีญาณรู้สัมผัสธรรมชาติได้เนี่ยถ้าเราต้องการรู้ตัวทั่วพร้อมเนี่ยเราไม่ต้องทำอะไรเราก็รู้ตัวทั่วพร้อมแต่ทุกวันนี้เราไม่รู้ เพราะเราถูกความคิดเราครอบงำไวนะ้การวัดความก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมเราวัดกันที่พฤติกรรมนอกศาลาว่าเรามีความประพฤติดีขึ้นกว่าเดิมกายวาจาใจว่าเป็นกุศลมากขึ้นกว่าเดิมหรือไม่ใช่ไหมคะไม่ได้วัดกันที่ท่าทางในศาลาว่าจะหมุนเร็วขึ้นหรือเปล่า ลำมวยถ้ายากขึ้นหรือไงหรื อ, อยังโยคะท้าไล้กระดูกแล้วหรื อ, อยังดิฉันเข้าใจว่าการปฏิบัติธรรมคือการพัฒนาจิตที่นำไปสู่การกระทาที่ดีที่เป็นกุศลแบบถาวรตลอดชีวิตดังนั้นจึงเข้าใจว่าแม้ว่าท่าทางในกรรมฐานของดิฉันจะคล่องแคล่วเชี่ยวชาญมากขึ้นเท่าใด แต่หากพฤติกรรมนอกศาลาของดิฉันยังไม่เปลี่ยนแปลงในทางที่จะดีขึ้นก็ยังไม่นับว่าจิตของดิฉันได้รับการพัฒนาแต่อย่างใดจึงขอากาบเรียนถางพ่อครูเพื่อความกระจ่างค้ขอากาบขอบพระคุณค่ะอันนี้คือความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วส่วนมากเราการปฏิบัติธรรมเนี่ยเพื่อให้เราเข้าถึงความเป็นปกติของธรรมชาติเพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมข้างนอกที่เราไม่ปกติ ทุกวันนี้เนี่ยจิตเราเกิดมาใหม่ๆเนี่ยเราเรียกจิตเดิมก็ได้เด็กเกิดมาใหม่ๆเนี่ยเหมือนผ้าขาวผืนหนึ่งแต่มีจุดด่างจุดหนึ่งจุดด่างตรงนี้เนี่ยคือกระแสะกรรมมันไม่ได้มันไม่ใช่จิตมันเป็นจิตเดิมพอเกิดมาปุ๊บเขาก็ตั้งชื่อให้เราให้เรานับถือศาสนาสอนประเพณีวัฒนธรรมสอนภาษาให้เราระบายสีระบายสีระบายสีระบายสี ส่งเราไปเรียนวิชาสร้างอนาคตนะสอนให้เรารู้นสสีแดงสีเหลืองสีขาวสีอะไรลาไรไอ้ความรู้เหล่านี้เนี่ยมันเป็นสิ่งปรุงแต่งจากจิตเดิมกลายเป็นจิตปรุงแต่งเห็นไหมชีวิตเราเลยกลายเป็นไม่ได้ทำตามธรรมชาติเราทำตามปรุงแต่งหมดตามเอาวิชาข้อมูลที่เรารู้ผิดเราคิดตามภาษาพูดตามภาษาทาตามภาษา ภาษาไทยเหมือนกันภาษาไทยเมื่อห0สปีก่อนกับภาษาไทยปัจจุบันนี้ก็ไม่เหมือนกันตัวอักษรเหมือนกันนะภาษาวัยรุ่นภาษาอะไรเนี่ยสมัยก่อนเขาเรียกว่าชูตอนนี้เรียกว่ากิกตัวอย่างว่ามันภาษามันเปลี่ยนไปนะเปลี่ยนไปตามเหตุและปัจจัยเป็นภาษาทุนนิยมวัตถุนิยมเห็นแล้วก็คิดตามภาษาเราพูดตามภาษาทาตามภาษาชีวิตเรามันไม่ใช่ความจริง มันไม่ใช่ธรรมชาติชีวิตเราเราเป็นตัวที่ปรุงแต่งแล้วนะมันเป็นสิ่งปรุงแต่งทีนี้มันปรุงแล้วทําอย่างไรผู้เจ้าก็ไปจับสรูสิ่งนี้สมัยพุทธกาลเขาก็ปรุงแต่งนะสองพันกว่าปีเนี่ยเขาก็ปรุงแต่งแต่เขาปรุงแต่งไม่เยอะนะบางคนถามว่าทําไมพุทธกาลผู้เจ้าพูดเทศเ บ, เบาๆ เ, เ, เองเนี่บรรลุธรรมบรรลุกันว่าเล่น เห็นไมเพราะตอนนั้นเขาไม่มีกาวตาช้างเขามีแป้งเปียกเฉยๆนะมันไม่ได้ติดขนาดนี้เห็นไมทุกวันนี้เอาค้อนยางตีป้องๆก็ยังไม่ตื่นเลยพราะเหนียวหนึบหนาเลยเห็นไมเพราะภาษามันเปลี่ยนความต้องการความทยานอยากมันมากขึ้นนะก็ที่เราปฏิบัติเนี่ยผู้เจ้าก็ไปตัดสรู้สิ่งนี้ก็เลยบอกว่า พระองค์รู้วิธีแก้นะก็คือทําดีละชั่วขัดเกาจิตให้ผ่องใสทําดีคือสร้างกำลังให้เรามีกำลังเพื่อจะเดินทางเป็นสเสบียงละชั่วเนี่อย่าไปสร้างภาระใหม่อย่าไปสร้างกรรมใหม่เพื่อให้มันใบแหกแบก ย, ยังไม่พอนะต้องขัดเกาจิตให้ผ่องใสนะคือขัดไอโปรแกรมต่างๆที่เราถูกใสมาตั้งแต่กาเนิด ไอ้ของเก่าก็หนักหนาสาหัสเราแบกกรรมมาด้วยผ้าขาวผืนนี้เนี่ยมันยังไม่บริสุทธิ์เต็มที่มันมีจุดด่างอยู่แทนที่จะเาจุดด่างนั้นออกไปเพิ่มอะไรเยอะแยะเลยระบายสีจนเราจําไม่ได้วันเราคือใครชีวิตเราก็เลยไม่เป็นปกติชีวิตคิดตามปรุงแต่งพูดตามปรุงแต่งทำตามปรุงแต่งนะเมื่อเราปฏิบัติธรรมแล้วในขัดเกลาจิตให้ผ่องใสเนี่ย เราพัฒนาจากจิตปรุงแต่งกลายเป็นจิตหลุดพ้นจิตหลุดพ้นดวงตาเห็นธรรมเนี่ยไม่ใช่บรรลุธรรมขั้นสูงสุดขั้นต่ำสุดคือดวงตาเห็นธรรมจิตเห็นจิตคือมรรคผลของจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งคือนิโรธเมื่อเราเข้าสู่กระแสมรรคเนี่ยเราบรรลุธรรมเบื้องต้นแล้วเป็นโสดาปฏิมรรคนะเป็นโสดาปฏิผลคู่แรกปฏิบัติต่อไปก็เป็นสกิทาคามีมรรค สกิทาคามีผลปฏิบัติต่อไปก็เป็นอนาคามีมักอนาคารมีผลปฏิบัติต่อไปเป็นอรหัตมักอรหัตผลสี่คู่แปดบุรุษเป็นสมควรแก่สักการะและบูชาถ้าถึงขั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยจิตก็เข้ากลับไปสู่สภาวะเดิมเขาคือจิตเดิมแท้คําว่าจิตเดิมแท้นี่ปรุงแต่งไม่ได้อีกต่อไป กระดาษขาวนี่ยังวาดได้เห็นไหมอันนี้มันว่างมันวาดกับอะไรมันไม่มีอะไรวาดแล้วนั่นเรียกว่าจิตเดิมแท้นะก็อย่าไปหลงสภาวะที่เราปฏิบัติอย่าไปวัดตรงนั้นว่าเราเห็นโน่นเราเห็นนี่เห็นเทวดาเห็นสวรรค์ชั้นไหนแล้วเป็นผู้วิเศษอะไรนั่นนะ พเพรครูบอกแล้วปฏิบัติต้องนําไปประพฤติต้องดูพฤติกรรมข้างนอกหลังจากปฏิบัติแล้วเราเปลี่ยนไหมเขาวัดความก้าวหน้าตรงนั้นไม่ใช่วัดว่าอู้ฉันเห็นโน่นฉันเห็นนี่แล้วก็ไปหลงมันอีกนี่อันนี้เลวร้ายยิ่งกว่าไม่ต้องไปเห็นดีกว่าใช่ไหมอันนี้เขาเรียกว่าหลงสภาวะธรรมติดตัวรู้ตัวเองหลงไม่พอก็ไปพาคนอื่นหลงด้วยสร้างกรรมใหม่อีก เป็นการหวังดีประสงค์ลายนะก็ไม่ได้ผิดอีกมันเป็นกรรมร่วมมันสร้างกรรมร่วมกันมาแล้วเนี่ยมันค่อยไปไปดึงกันเข้ามานะเอาตัวเองให้พ้นก่อนแล้วเราจะมีส่วนเกินที่จะแบ่งปันคนอื่นที่มันบริสุทธิ์เมื่อกำลังจิตตัวในเริ่มสั่งให้ทำในสิ่งที่ตัวเองต้องการเช่นสั่งให้เปิดพัดลม พาตัวเองไปห้องน้ำและไม่สามารถสวดมนต์เป็นปกติได้ค่ะเห็นชัดขึ้นกับพลังจิตใต้สำนึกจึงเริ่มกังวลใจว่าจะทำอย่างไรคนเข้าไปในจิตไม่ได้ก็กังวลใจเมื่อไหร่ฉันจะเข้าไปได้พอเข้าไปแล้วในควบคุมมันไม่ได้ก็ถามว่าฉันจะทำอย่างไรอันนี้แหละคือ มนุษย์เราเป็นแบบนี้แหละธรรมชาติของกิเลส น, นะเอเมื่อไหร่จะเข้าได้เมื่อไหร่จะเข้าได้พอเข้าไปแล้วออกมาไม่ได้นะหอบแฮกแฮกแฮกแก็กังวลใจอีกเมื่อไหร่จะออกมาได้ <c ười> คนแบบนี้ต้องเจอให้เข็ดเวลาอยากก็ยากอยากเข้าไปเนาะนะก็ถามว่าเมื่อไหร่จะเข้าไปอคนอื่นทําไมง่ายจังฉันทำไมฉันยากจัง พอเข้าไปแล้วเนี่ยก็ออกมายากยากอีกเมื่อไหร่ฉันจะออกมาเนาะเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนะเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นเราต้องแก้ที่ไม่ใช่หายสงสัยต้องแก้ที่ไม่สงสัยทําลายไอเชื้อที่ทําให้เราสงสัยจริงซะไอตัวนี้เนี่ยมันสร้างนิวรณ์ตัวลังเลสงสัยแทนที่จะเดินทางตั้งใจเดินเอ๊ะเดินถูกหรือเปล่าวะเอ๊ะต้องเอาขวาออกก่อนหรือซ้ายออกก่อนวะ เออไอดอกไม้นี่มันสวยดี ว, ว่าแล้วเมื่อไหร่มันจะถึงละ่ะนี่เขาเรียกว่าวิตตกจริตนะเรารู้ว่าเขาทำโดยเราหยุดเขาไม่ได้ค่ะเราควรฝืนเขาไหมคะนะคือไม่ต้องฝืนไม่ต้องทำอะไรเลยรู้เท่าทันเขาเท่า น, นั้นเองนะ เพราะพราะนิสัยเราเนี่ยกิเลสเราเนี่ยถูกสอนว่าทำอะไรต้องมีการกระทำต้องเป็นคนฝ่ดีต้องขยันต้องต้องต้องต้องทำเพื่อความสำเร็จเรามีกิเลสตัวนี้นะแล้วก็ทุกขบวนท่าเนี่ยก็มีคำถามตลอดเพราะเรากลัวผิดบ้างกลัวไม่สำเร็จบ้างเพราะเราอยากสำเร็จใช่มทีนี้วิธีทาก็คือว่าทำโดยไม่ต้องทำนะไม่ใช่ไม่ทำนะต้องปฏิบัติ แต่การปฏิบัตินั้นปฏิบัติโดยไม่ต้องทำอะไรเลยมันสงสัยเราก็รู้ว่ามันสงสัยอย่าไปสงสัยตามมันเห็นไหมทำไปทามาไอตัวขี้สงสัยนั้นมันก็หลอกให้เราไปสงสัยตามมันไม่ได้ต่อไปมันก็ไม่สงสัยเราต้องตั้งมั่นศรัทธากับสิ่งที่เราดำเนินและต้องมีสติ ไม่ใช่ฝืนไม่ฝืนนะถ้าเรามีสติดีแล้วโดยสัญชาตญาณเราเนี่ยโดยจิตเดิมเราเขาไม่ทำร้ายร่างกายนี้แน่นอนแต่จิตปัจจุบันมันมีกิเลสอยู่มันมีความอยากมันไอมั น, ม, นมันก็ความอยากที่ทำให้เรากลัวนะเอ๊ะกลัวจะหลงทางกลัวจะสำเร็จไม่ได้กลัวไปหมดเลยมันก็เกิดจากความอยากนั่นแหละมันก็แสดงอาการก็เป็นเรื่องธรรมดานะแต่ถ้าเรามุ่งมั่นจับคาว่าเวียงทิ้งที่พรอครูให้เนี่ยนะ อารมณ์อะไรเกิดขึ้นก็ช่างนะมันลังเล ส, สงสัยเรารู้ปุ๊บอย่าไปสงสัยตามมันเราก็เดินทางต่อคือเวียงความยึดมัน่นถือมั่นที่เราจะไปสงสัยตามมันเนี่ยเตือนว่าเวี่ยงทิ้งผ่านผ่านผ่านา น, นะจะจับตัวนี้ไว้ไม่มีคำว่าหลงไอ้ที่เราหลงเพราะว่าเราอยากรู้นั่นแหละเราถึงจะหลงในชีวิตทางโลกเราถูกโกหกถูกหลอกลวงถูกเขาต้มตุนนั่นเพราะเรามีความอยาก เห็นหมมันแต่งชุดสูตรมาเลยขับรถโลโซลอยมาเลยนะแต่งเป็นผู้ดีเลยนะนะโอ้มีหลักการเสนออะไรอะไรเนี่ยนะเพราะเรามีความอยากไงมันกระตุ้นความอยากแล้วมันก็เสนออะไรนะโอ้ยโอกาสดีแล้วมันก็โดดใส่ไปเลยถึงดุโดนหลอกกันไทั้งในเหมือนกันทั้งในเ네นียนเน네ียนกว่าด้วยนะข้างในจิตเดิมเนี่ขาเ네นียนมากเขาแปลงร่างถ้าเราได้ดูภาพยนตร์เรื่อง The Little Buddha นะผู้นิจเจ้าน้อยนะช่วงเวลาที่พระเวสจัตตสรูนะ้นั่งอยู่ใต้ต้นโพนะอุย้ยมานมันนะแปลงร่างมาเป็นสตรีสวยงามมากมาไล่ลำยั่วยวนเห็น ไ, ไหมอันนี้เอาการมาลาคะมาหลอกก่อนหลอกพระ อ, องค์ไม่ได้เอาฟ้าผ่าฟ้าร้องเปี้ยงเปี่ยงพระ อ, องค์ก็นิ่งหลอกทุกอย่างในลมพายุอะไรมาพระ อ, องค์ก็นิ่ง ทีนี้มันโผล่ขึ้นมาตรงหน้าเลยพญามารแปลงร่างเป็นพระพุทธเจ้าเห็นไหมมันบอกว่าท่านก็คือเราเราก็คือท่านมันจะหลอกนะเนียนมากนะพระองค์บอกว่าเราไม่ใช่ท่านท่านไม่ใช่เราเรามาจากดินเราจะกลับไปสู่ดินพญามารก็ไปพระองค์ก็บรรลุธรรมนั่นแหละระหว่างที่เราเดินทางเข้าไปในจิตอยู่ พยามาลก็ทำหน้าที่มันอย่างซื่อสัตย์มันในรูปของความกลัวความลังเลสงสัยต่างๆมันเป็นสิ่งขวางกั้นทางเดินของเราโอเนนะที่พวกครูเทศวันเสาร์ที่แล้วเรื่องความผูกพันข้ามภพข้ามชาติของท่านเจ้าคุณกับน้องหญิงด้วยแรงอธิษฐานทำให้เกิดการสร้างก ร, รมใหม่ในชาติปัจจุบันขอกราบเรียนถามพรอครูว่า เรามีวิธีลบล้างคำอธิษฐานทั้งหมดในอดีตชาติเราได้หรือไม่คะทำอย่างไรควรทำหรือไม่แต่ดิฉันคิดว่าควรทำเพราะดิฉันไม่รู้ว่าในอดีต ด, ดิฉันเคยอธิษฐานสิ่งใดไว้บ้างช่าง น, น่ากลัวเสียจริงการขัดเกล่จิตให้ผ่องใสก็คือการกระทำอยู่นะทำดีละชั่วขัดเกลืคือการกระทำแต่เราล้างไม่หมดหรอก นะเหมือนกระแสกรรมมันอยู่แค่นี้ความผูกพันอธิษฐานนี่นะบารมีเราแค่นี้แนวที่เราทำอยู่มันก็ลดตรงนี้ด้วยลดมันก็เพิ่มตรงนี้เมื่อตรงนี้มันมากกว่าแล้วเนี่ยมันก็ตัดเหมือนเราต้องเหมือนองคุลีมานเหนไหมไม่ใช่เรื่องอดีตชาติด้วยนะอดีตส่งผลให้ชาติปัจจุบันองคุลีมานเนี่ยก็ถูกครูบาอาจารย์หลอกให้ไปฆ่าคนหนึ่งพันคน องคุริมาณศรัทธาครูบาอาจารย์มากไม่ลังเลสงสัยคิดว่าคงเป็นอุบายอะไรอย่างหนึ่งครูบาอาจารย์บอกไปฆ่ามาถึงหนึ่พันคนแล้วจะสอนวิชาพิเศษองค์คุริมานศรัทธาครูบาอาจารย์มากไม่ลังเลสงสัยออกไปฆ่าอย่างซื่อสัตย์กลัวจะลืมฆ่าพุก๊ก็ตัดนิ้วมาแขวนคอตัดฆ่าแล้วเก้าร้เหลือหนึ่งตอนนั้นเข้าใจผิดแล้วคิดว่าครูบาอาจารย์มีนัยยะอะไร คล้ายๆว่าเราฆ่านี่เพื่อให้มันหมดกรรมหมดเวรเร็วๆจะไปโปรดแม่ตัวเองเห็นไเดินทางไปเมืองหลวงแม่อยู่เมืองหลวงก็เขาออกหมายจับตายมหาจรองคุริมานแม่ก็เดินมาลูกก็เดินไปถ้าฆ่าแม่เมื่อไหร่เนี่ยเรียบร้อยไม่มีทางพ้นทุกข์พระพุทธองค์เห็นว่าลาจิตองคุริมานน่สร้างบา ร, รมีมาเยอะมาก แต่อัยที่ไปฆ่านั้นมันเป็นกรรมร่วมกับคือองคุลิมานนี่เรียนเก่งมากเพื่อนร่วมห้องด้วยก็อิจช้าไงก็ไปใส่ร้ายป้ายสีให้ครูบาอ า, าจารย์ฝังครูบาอาจารย์ก็เลยขับออกไปจากสำนักทีนี้ผู้เจ้าไปเห็นวาละจิตองคุลิมานบัลมีเก่าเยอะมากนะชาติหนึ่งเกิดเป็นวัวนะ ตายายคู่หนึ่งก็เลี้ยงวัวตัวนี้วันดีคืนดีคุณตาก็ฆ่าลัวตัวนี้นี่ยฉลองเรียกคนทั้งหมู่บ้านเก้า้อยเก้าสบเคนนะมากินเนื้อองคุลิมานแต่คุณยายไม่กินคนเดียวคุณยายก็เกิดมาเป็นแม่องคุลิมานในชาติสุดท้ายไม่ต้องเรียนแบบองคุลิมานนะเห็นไหมไม่ใช่ฆ่าสัตว์นะฆ่าคนก็ยังบรรลุตามด้วย มันเป็นนานาจิตตังมันไม่เหมือนกันนะผ <c oughs> ู้เจ้าก็เดินไปเดินขวางไว้องคุริมานบอกหยุดหยุดหยุดพวกองค์บอกเราหยุดแล้วแต่ท่านยังไม่หยุดหยุดได้ยังไงท่านยังเดินอยู่เดินช้าๆองค์ุริมานวิ่งยังไงก็วิ่งไม่ถึงนะนะ <c oughs> วิ่งก็วิ่งไม่ทันไงผู้เจ้าบอกเราหยุดทําความชั่วแล้วแต่ท่านยังทําอยู่ <c oughs> คํานี้คําเดียวองค์คุริมานตื่นขึ้นมาบรรุธรรมเป็นเบื้องต้นพระพุทธองค์ก็บวชให้ มหาโจรองค์คุลิมานไปบินธบาตปุ๊บถูกลูกเมียเขาเนี่ยคว้างปาหัวล้างข้างแตกกระทบแต่ไม่กระเทือนจิตพระองค์คุลิมานนั้นไม่ทุกข์กับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่หยุดเกิดสายกรรมนั้นไม่ได้เห็นไหมพูดอย่างนี้เพื่ออะไรเพื่อเราล้างอธิษฐานที่เราอธิษฐานมาหลายชาตินั้นล้างไม่หมด แต่เวลาที่อยู่ขบวนการที่ล้างเหมือนอะไรนเราฝึกให้เรามีฮิลิโอต ป, ปะและอายต่อบาปยอมรับในกรรมที่เราทำนะมันก็เกิดบา ร, รมีระดับหนึ่งนะอันนี้เป็นอุบายองค์คุริมาเนี่ยถ้าไม่ได้เพ่นออกจากวัฏสงสารนั้นไอ้เก้าร้อยเก้าสิ้าชีวิตนั่นบวกกับไปของเก่าด้วยไม่รู้อีกกี่แสนกับนะเราต้องเพ่นออกจากวัฏสงสาร นะอันนี้คำตอบก็คือว่าก็ไอเรื่องอธิษฐานมาลมีเนี่ยก็เคยเล่าให้ฟังนะนางสาวเอเป็นโรคเ l e ล LE, โรคพุ่มพวงดวงจันทร์มาปฏิบัติที่นี่หลายปีก่อนนะพวกครูพูดสั้นๆเพราะหลายคนฟังแล้วนะเขามาเวี่ยงปุ๊บเนี่ยโรคภัยไข้เจ็บก็าหายนะพวกครูก็พาทุกคนไปเที่ยวผาแตงตีสเห็นหเห็นฟ้าสวยมากวันนั้ น, นะ เห็นพระจันทร์เห็นดวงดาวฟ้าเปิดสักพักหนึ่งเห็นพระอาทิตย์นะลอยขึ้นมาเขาก็ไปถ่ายรูปกันแล้วก็นั่งคุยกันเพราะวกก่าเห็นอะไรบ้างนางสาวเอบอกว่าเห็นพระอาทิตย์ขึ้นสวยมากว่าอยู่ไหนก็บอกอยู่นูนกก่นอยู่นู่นเพราะคุณไอ้ไหนไม่เคยเห็นพระอาทิตย์ขึ้นเลยเขาก็มองหน้าเขาบอกพ่ะครูว่าเขาเวี่ยงทิ้งหมด3ามสี่เดือนมาอยู่ที่นี่เหลืออย่างเดียวเวียงไม่ทิ้งเพราะมันอธิษฐานว่ามันจะตามแฟน ม, มันไปทุกชาติ แล้วแฟนปัจจุบันนี้ก็คนเก่านั่นแหละมันทุกข์เพราะแฟนคนนี้นางสาวเอบอกว่าเขาอกหักเพราะแฟนไม่รักพอครูบอกว่าคิดผิดก็คิดใหม่ได้นะที่เออกหักเนี่ยไม่ใช่แฟนไม่รักเป็นเพราะเธอเป็นหลงรักเขาพระอาทิตย์ไม่เคยขึ้นไม่เคยลงโลกมันหมุนเราไม่เคยเห็นว่าเป็นเพราะตัวเราเลยว่าเป็นพระอาทิตย์เพราะมันขึ้นมันถึงสว่างพระอาทิตย์ลงมันถึงมืด ถ้าทิศเขาไม่เคยขึ้นไม่เคยลงโลกมันหมุนนะเวียงทิ้งต่อไปเพราะมันอธิษฐานบา ร, รมีเนี่ยอธิษฐานตามมาหลายชาติตอนนี้ตามมามาชดใช้มีดกรรมเขาก็เวียงต่อไปนะจนสุดท้ายแล้วเนี่ยเราเราเบิดไอ้กล่องบันทึกโปรแกรมนั้ น, นมันหมดไปแล้วเนี่ยนะนั่นแหละจนวันไหนที่เราละสังขาร ออกจากวัฏสงสารสามโลกกระท่านี้นะสวรรคสมบัติมนุษย์สมบัตินระกสมบัติแล้วเนี่ยแล้วก็กระแสกรรมมันจะไปไล่บี้ใครหลือไม่มีนะเมื่อถึงจิตเดิมแท้แล้วระบายสีอะไรก็ไม่ได้ปรุงแต่งไม่ได้อีกต่อไปในวัฏสงสารผู้ที่เข้าจิตได้ปลอดภัยทุกอย่างผู้ที่เข้าจิตไม่ได้อันตรายทุกอย่าง อันนี้แสดงความพิดเห็นเฉยๆแต่ไม่ได้มีคำถามเราจะทราบได้อย่างไรว่าเรามีความก้าวหน้าในทางธรรมบ้างแล้วอาการของผู้มีความก้าวหน้าทางธรรมเป็นอย่างไรเราจะรู้ได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องไปถามคนอื่นใช่หรือไม่คะใช่ครับมันเป็นปัจจัตตังเวทีตับโพวินยูหีเป็นสิ่งที่รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนนะ เหมือนเหมือนเราไม่รู้ว่าเราเป็นใครอะนะเราก็ไปถามหมอดูนะไปถามผู้วิเศษว่าช่วยบอกฉันหน่อยว่าฉันเป็นใครนะเราไม่เคยรู้ว่าตัวเองเป็นใครให้คนอื่นเขามาทีให้เลยว่าเราเป็นใครนะเขาก็ทายทักเดาสุ่มถูกบ้างผิดบ้างนะเราไม่เคยเชื่อตัวเองเลยเราต้องไปจ้ายคนอื่นเขามาบอกว่าเราเป็นใครนะ ไม่ต้องถามคนอื่นผู้เจ้าก็บอกแล้วมันเป็นปัจจิตังเวทที่ตัโพโภวินยูหีเป็นสิ่งที่รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนส่วนความก้าวหน้าไม่ก้าวหน้าเนี่ยน่ะก็ถูกแล้วเราก็ดูพฤติกรรมเราเองว่าเราเปลี่ยนไหมไม่ใช่ก้าวหน้าว่าอุ้ยเราเข้าไปเนี่ยไปเห็นกี่ชาติแล้วไปเห็นโน่นเห็นนี่อันนั้นก็หลงสภาวะ เห็นอดีตแล้วว่าเอ้ยเราฆ่าคนไม่ดีและปัจจุบันเนี่ยเราเลือกฆ่าคนไหมเลือกโกหกคนไหมนะเราต้องดูพฤติกรรมเนี่ยข้างนอกเนี่ยเหมือนพ่อคูเองสี่สิบปีวิ่งไปตามโลกสินห้าบอกไม่ให้ทำอะไรทำหมดกินเหล้าทุกยี่ห้อโกหกเก่งเใ็จอย่างหนึ่งเพราะเราเป็นพ่อค้าเราคิดว่าเป็นเทคนิคสูบบุหรี่เล่นการพนันเที่ยวเตตามภาษาคนหนุ่มไม่มีศินห้าเลยเห็นไหม แต่พอมันเปลี่ยนแปลงปุ๊บเนี่ยไม่ต้องถือศีลด้วยยี่สบกปีมันไม่ทำชั่วแน่นอนนี่เราเห็นด้วยตัวเราเองเอย่ไหมไม่ใช่ไปใช้อุดมการใช้ธรรมะใช้ศีลวินัยมากกมากกดมันว่าให้อย่าทำนะผิดศีลอะไรไม่ใช่อันนั้นมือถือศากปากถือศีนถือถือตลุดพฤติกรรมเราเปลี่ยนโดยไม่ต้องบังคับมันเราก็เห็นเองมาเอออารมณ์ร้อนเรามันอ่อนลงนะ ไอ้ความยึดมั่นถือมั่นที่เราไปหลงติดอะไรเนี่ยมันก็อ่อนลงนะนั่นแหละเราดูจากตัวเองว่าผลที่เราปฏิบัติแล้วเนี่ยเราเป็นอย่างไรนะสมัยก่อนไปเที่ยวก็ไปอยากไปไปกินก็ไปเที่ยวอะไรแล้วก็กินแต่ปฏิบัติแล้วเนี่ยทีนี้ความก้าวหน้าทางทางธรรมเนี่ยที่พ่อครูเคยพูดนะโดยเฉพาะแนวที่เราปฏิบัติเนี่ย มันจะเห็นชัดอย่างนี้รู้ว่าเราเก้าวหน้าไม่ก้าวหน้าเราต้องดูว่าหนึ่งเราเริ่มเพี้ยนหรื อ, อยังเราเพี้ยนจากสายตาเพื่อนฝูงเราไหมเคยกอดคอกันเมาเคยชนไปเที่ยวเฮ้เราชักไม่ได้ไปแล้วบอกเอ้นี่เพี้ยนแล้วนั่นแหละถ้าเราเพี้ยนแล้วแสดงว่าเราเก้าวหน้าระดับหนึ่งแล้วนะเพี้ยนจากความรู้สึกของเพื่อน บางคนค้าขายอยู่หงเทพอยู่ดีหนีไปบ้านนอกไปเปิดโรงน้ำแข็งเล็กๆเนี่ยเริ่มเพียนแล้วเพราะถ้าเราไม่เพียนเราก็ไม่กล้าทำอย่างนั้นเราไม่กล้าทิ้งหมู่คณะเห็นไหมนี่เราเริ่มเพียนแล้วแสดงเรามีปัญญาแล้วนะแล้วที่นี้ปฏิบัติมาเนี่ยเอ๊ะมันใกล้ๆจะสิ้นคิดแล้วมันไม่ค่อยคิดเลยนะเป็นคนสิ้นคิดแล้วนั่นล่ะ ถ้าอาการอย่างนี้เกิดขึ้นเราบอกเอ๊ะหลงหลงลืมลืมเราไม่ใช่คนขี้ลืมนะเราเริ่มไม่จำแล้วไปจำมันทำไมเป็นขยะแล้วก็มันต้องเสียเวลาเบี่ยงมันทิ้งอีกจิตมันจะไม่จำกลายเป็นคนสิ้นคิดทางโลกเขากลัวไหมกลัวมากแค่เพี้ยนหนึ่งฉันก็ไม่เอาแล้วปฏิบัติแล้วเป็นเพี้ยนเห็นไมเนี่ยนี่คือความก้าวหน้าเราสอบอารมณ์เราเองนะถ้าทัปฏิบัติไปม า, มาเนี่ย เราชักจะเป็นคนไม่มีอนาคตแล้วถ้าอยากก้าวหน้าต้องถอยหลังเห็นไหมมันมันสวนทางกับทางโลกเราเริ่มถอยออกมาจากทางโลกทีละเล็กแต่ละน้อยอ่ะทีนี้เวลาที่เหลือเราทำอาชีพไม่ใช่เราขี้เกียจนะเราก็ขยันแต่ว่าเราทำเพราะทำเราทำหน้าที่เราปัจจุบันเนี่ยเราไม่กังวลอนาคตมากมายเราเริ่มเป็นคนไม่มีอนาคตแล้วนะ นี่แะคือแสดงออกถึงความก้าวหน้าของจิตเพราะมันสามารถแหกโผกิเลสความเคยชินชีวิตยอยู่แบบสะดวกสบายนะคนแท้สองสัตว์ละเสริญมันเริ่มวางตรงนั้นได้นะปฏิบัติไปปฏิบัติมาอันนี้ยังไม่มีใครรู้นะถ้ารู้วันนั้นเราจะรู้โดยเองว่าสุดท้ายถ้าเราเห็นอารมณ์ว่าเราไม่มีวันผุดวันเกิดแล้วนั่นะคือจบละ นั่นแหละคือความก้าวหน้าไงมันสวนทางกับความก้าวหน้าในทางโลกนะมันดึงให้เราบางคนเขาไม่เห็นเฮ้ยแบบนี้มันหลุดโลกเลยนี่ว่าบอกไม่ใช่แค่โลกเดียวนะดูดตั้งสามโล ก, กาธาตุเลยไม่งั้นคุณจะพ้นทุกข์ได้ยังไงใช่ไหมถ้าจิตมันไม่ก้าวหน้ามันไม่กล้าทำหรอกนะ ความโลภความโกรธความหลงความยึดมั่นถือมั่นเราจะเห็นว่ามันอ่อนลงไหสมมตมันอ่อนมากน้อยแค่ไหนอยู่ที่กําลังนะอยู่ที่กําลังที่เราฝึกกําลังของจิตก็คืออินทรีย์พะละของมันศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาเนี่ยถ้ามันไม่แก่กล้าเนี่ยมันก็จะไม่กล้าเพียนมันไม่กล้าคิดนอกกรอบมันจะถูกสังคมบล็อกไปอย่างนี้ตลอดเวลานะ ก็ยังไม่สายนะออถ้าฟังแล้วตื่นขึ้นมายังไม่สายถ้าไม่พร้อมอย่าปฏิบัติเดี๋ยวมันจะเพี้ยนนะมาติดตามคนเพี้ยนอยู่ที่นี่คนหนึ่งนะีป่ปีแล้วเพี้ยนมาหมดเพื่อนฝูงญาติพี่น้องเขาก็หาว่าเราเป็นบ้านะอันนี้นี่คือความก้าวหน้าในทางธรรมขอกาบเรียนถามพ่อครูเรื่องแนวคิด และวิธีการปฏิบัติสี่รอบค่ะหนูได้ฟังเทปเรื่องวิธีการปฏิบัติแล้วแต่หนูยังไม่เข้าใจบางเรื่องจึงขอเรียนถามดังนี้ค่ะอันนี้คำถามดีนะฮะแล้วก็พูดแล้วก็ฟังพร้อมๆกันนะไม่งั้นทุกๆวัน พ, พ่อครูก็พูดแต่เรื่องเก่าตอบคำถามแต่เรื่องเก่าๆเนาะช่วงเช้าและช่วงสายเราไม่ต้องเข้าจิตใช่ไหมคะถ้าใช่ ดังนั้นช่วงไล่ลาลก็ไม่ต้องเข้าจิตใช่ไหมคะเอาละนะช่วงเช้าและช่วงสายเราไม่ต้องเข้าจิตใช oh. ่ไหมคะเออถ้าใช่ก็ไม่ต้องถามต่อนะถ้าใช่ยังถามอีกว่าดังนั้น nichts. ช่วงไล่ลาลก็ไม่ต้องเข้าจิตใช่ไหมคะใช่นะคือคืออันนี้เราอยู่มันก็จิตนั่นแหละจะเป็นจิตสำนึกปัจจุบัน เราฝึกจิตก็อยู่ในจิตนั่นแหละแต่จิตสมุึกปัจจุบันไม่ใช่จิตใต้สมนึกเราอยู่ในฐานจิตปัจจุบันก็อยู่ในฐานกายถ้าเราไปเข้าในฐานจิตฐานธรรมเนี่ยนะอันนั้นเป็เข้าไปในจิตในจิตอยู่ในฐานจิตตอนนี้เราอยู่ในฐานกายฐานเวทนาแต่เอาจิตเราปัจจุบันเนี่ยเรียนรู้กับฐานกายฐานเวทนาเวทนาเกิดขึ้นที่ใจ ใจเป็นส่วนหนึ่งของอายตนะตาหูจมูกดินกายใจยังอยู่ในฐานกายช่วงเช้าช่วงสายเป็นตันเตรียมเครื่องมือเดินทางคือกายนะเราต้องรู้ตัวรู้ปัจจุบันเพื่ออะไรเพื่อลดอัตราตัวตนประเพณีวัฒนธรรมหัวขนหยับๆยบแต่ถ้าเราเข้าไปไดิจิตเลยเนี่ยเราไม่แค่ข้างนอกอยู่แล้วใช่ไหม แต่ตอนนี้อย่าไม่ให้เข้าไปคนมาใหม่ๆเนี่ยเอาตรงนี้ก่อนกล้าลำไหมให้มันอายเว้ยมันเขินเว้ยนี่เรคือเจตนาทําให้เราเห็นกิเลสเราถ้าเราไม่กล้าปล่อยวางหัวขวนเหล่านี้นี่เราจะไปนิพพานได้อย่างไรเมื่อเราเดินป่าเราต้องเดินไปแบบตัวเบาๆอันนี้คือเจตนานะคือเป็นการเตรียมสติเตรียมสมาธิที่มีอยู่แล้วขุดมันขึ้นมาในขณะเดียวกันก็วางหัวขวนต่างๆ ถ้าเราแบกหัวขน อ, อยู่เราจะลำไม่ออกอันนี้คือให้เห็นอารมณ์ปัจจุบันนะก็เป็นเป็นอุบายเทคนิคในขณะที่เตรียมเครื่องมือเดินทางนะเครื่องมือเดินทางไกลอันดับแรกก็คือกายเราต้องเตรียมมันถ้ากายที่มันแบกหัวขนไปด้วยประเพณีวัฒนธรรมรูปแบบอะไรเนี่ยมันมันก็ไม่อิสระมันเดินทางไปไม่ได้เราต้องกล้า ที่สลัดออกนะอันนี้เช้าสายที่เป็นการเตรียมเครื่องมือเดินทางอยู่ในฐานกายกับเวทนาช่วงบ่ายให้เราเข้าจิตลึกๆไปเลยใช่ไหมคะใช่ตามดูเรื่องราวไปตลอดใช่ไหมคะใช่แต่ดูอย่างมีสติรู้เท่าทันนะไม่ใช่เข้าไปปุ๊บ ไปเห็นว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในอดีตพอข้าพเจ้าแพ้แล้วเนี่ยข้าพเจ้าวิ่งเอาหัวชนฝาตายแล้วก็ทำตามมันอันนั้นไม่ใช่นะให้มันแสดงออกเราเรียนรู้กับมันแต่รู้เท่าทันมันอยู่ในกรอบของความพอดีเห็นไหมถ้าเราทำอารมณ์นั้นตลอดที่เราหลงเห็นไหม วิ่งเข้าไปกอดกันเลยท่านพี่สเสด็จน้องสร้างกรรมใหม่นะให้อารมณ์นั้นมันออกมาเรารู้เท่ากับท่านอารมณ์เราต้องควบคุมอารมณ์นั้นได้แต่ไม่ใช่ไม่ให้มันแสดงแต่แสดงอยู่ในกรอบที่ไม่ไปสร้างกรรมใหม่มีสติอย่างยิ่งไม่ใช่ไปหลงมันนะไอคนที่หลงเนี่ยออกจากศาลาก็ยังไปสเสด็จพี่สเสด็จน้องกันอยู่น ะ, สะเสด็จน้ําดีกว่าไหมโยนลงไปในเขื่อนดีไหม บอกเวียงทิ้งเวียงทิ้งเรื่องอะไรจะเวียงกำลังสนุกดนะีหาแฟนมาตั้งนานไม่เจอเอาในจิตกันแล้วกันนะช่วงบ่ายเราเข้าไปในฐานจิตในจิตเหมือนเหมือนเหมือนเราฝึกจิตเนี่ยให้มันรู้เท่าทันกายเท่าทันเวทนาแล้วเราเข้าเข้าไปนะให้มันรู้เท่าทันอารมณ์ในจิตนั้นทมอารมณ์นั้นเห็นไะ ทั้งฐานสี่นี่เราเรียนรู้กับมันหมดเลยแล้วดึงมาเป็นมหาสติปฐานเป็นกายเวทนาจิตธรรมทีนี้เรียนรู้แบบสปีดเร็วเลยล่ะต้องรู้รู้เท่าทันมันทั้งหมดนะมันเร็วอย่างนี้ถามว่าเราพิจารณาทันไหมไม่มีทางเป้าปินยิงปุ๊บยิงปุ๊บยิงปุ๊บบางทีมาที่หนึ่งสิบลูกเลยชีวิตเราบางทีมันด่าเรามาพร้อมกันสิบคนเลยเราพิจารณาทันไหมไม่ต้องพิจารณาไม่ต้องตัดสินยิงทิ้งอย่างเดียว นะฝึกให้มันเร็วขึ้นเร่งสติหมุนกงล้อของธรร ม, มาจาับเห็นไหมฝึกอนุสติเนี่ยเด็กๆก็ทําได้มันเดินไม่เป็นก็ยืนตั้งไข่มาลูกเดินทีละก้าวเอาขนมหลอกมันนะเนีเอาพุโทโธหลอกเอายุบหนวพองหลอนหลอกนะมันมีที่เกาะ น, นะมันก็ค่อยๆเดินอั น, นั้นเด็กๆแต่ชีวิตเราเนี่ยมันเร็วมันต้องเร็วนะรูปน้ำเกิดดับมันเร็วมากเราช้าๆไม่ทันมันนะยิ่งอย่างเดียว เมื่อเราฝึกแล้วต่อไปเขาดา่าเราปุ๊บกระทบหูดับรูปเกิดก็ดับเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณปุงต่อไม่ได้ขันห้าปุงไม่ได้ปฏิสมบตรบาทขับเคลื่อนไม่ได้วัฏฏสงสารก็หยุดนะอันนี้คือเร่งสติหมุนกงล้อของธรรมจักเป็นธรรมจักกับปวณสูตรเป็นสูตรแรกที่พระเจ้าทรงแสดงพระสงค์องค์แรกเกิดขึ้นในโลกนี้ พระัญญากลธัญญาก็สูตรนี้ช่วงเย็นนานาจิตตังที่พ่อครูบอกว่าให้เข้าเข้าออกออกหมายถึงอะไรคะหนูไม่เข้าใจคะ่ะเช่นให้เข้าจิตแบบตอนบ่ายเข้าลึกๆไปเลยแต่พอรู้ตัวว่าเข้าไปในจิตแล้วก็ให้ออกมามีการกระทําเกิดขึ้นโดยการเข้าแล้วก็การออก <c oughs> เห็นไมพอเปล่งออกมาปุ๊บเนี่ยภาษาพระครูก็เพี้ยนเหมือนกัน แล้วก็รู้สึกว่าต้องมีการกระทําให้มันเข้าต้องมีการกระทําโดยให้มันออกอีกนะเราเราไปติดตรงนั้นน่ะนะคือมันเข้าออกตามธรรมชาติของมันใช่ไหมไอ้คาพูดบอกว่าอย่าไปสุดตรงข้างในข้างนอกแต่ไม่ใช่ไม่เข้าไม่ใช่ไม่ออกแต่ไม่ใช่ว่าต้องเข้าหรือต้องออกไม่มีการกระทําเพื่อให้มันเข้าเพื่อให้มันออกมันไปตามธรรมชาติของมันเองนี่คือมหาสติปัฏฐาน พอถึงจุดนั้นแล้วไม่มีการกระทําใดๆเกิดขึ้นเมื่อลูกข่างเราหมุนใช่ไหมเราเริ่มต้นจากใช้แรงนิ้วสองนิ้วต้องหมุนมันก่อนพอหมุนแล้วมันหมุนเองมันนิ่งเองมันไม่ได้ฝึกสมาธินะมันนิ่งเองนั่นคือเอกคตาลมพอมันมันนิ่งมันมีพลังเต็มเปี่ยมแล้วเนี่ยมันอิสระจากแรงดึงดูดอยจตนะทั้งหมดเนี่ยมันก็หลุดไหวนิ่งแล้วมันก็หลุดจิตก็เหมือนกัน นะเขาดาเนินเองเขาเข้าเข้ า, ขาออ ก, ออกเห็นไหมในขณะที่เขาเต้นแบบนี้เนี่ยถามว่าเราอยู่ตรงไหนอยู่ในกายอยู่ในเวทนาอยู่ในจิตอยู่ในธรรมมันรวมกันหมดเลยมันไม่มีการกระทําโดยเข้าไปในจิตหรือออกมาทางกายนะเราไปเข้าใจว่าต้องการกระทําเข้าไปลึ ก, ลกๆเหมือนตอนบ่ายแล้วเขค่อยดึงมันออกมาอันนั้นมันยังมีการกระทําเกิดขึ้น มันยังเป็นสัมมาัตากรรมฐานวิปัสสนาก็คือว่ามันเข้าออกโดยตัวมันเองเรารู้เฉยๆนะภาษานี่พูดละเอียดแค่ไหนก็ยากมันจะทำให้เราตีความผิดเพราะเราตีความตามกิเลสเราตามความเคยชินเราว่ามันต้องมีการกระทำสิเราไปคุ้นเคยกับต้องมีการจัดการสิ มีปัญหาต้องจัดการบางปัญหาจัดการโดยไม่ต้องจัดการใช่จัดการโดยไม่ต้องจัดการบางทีนั่งอยู่เฉยๆนะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปจิตเหมือนกันจัดการโดยไม่ต้องจัดการปฏิบัติโดยไม่ต้องปฏิบัติโดยไม่ต้องมีการกระทำแต่ไม่ใช่ไม่ปฏิบัติแต่ปฏิบัติโดยใช้เทคนิคว่าไม่ต้องทำอะไรเลย เราไม่ได้ทำอะไรนะมันเต้นมันหมุนมันหมุนเองนะไม่ใช่ว่าต้องเบียมันเข้าไปแล้วต้องดึงมันออกมานี่มันมีการกระทำแล้วเราคุ้นเคยแบบนั้นน ะ, นะหรือไม่ให้เข้าจิตลึกคือพอจะเข้าจิตก็ยังยั ง, ยงไวยังมีการ ย, ยังยังอีกให้เข้าแบบตื้นตื้นตื้นตื้นจะร ล, ลึกชาติได้หรือเปล่านี่ คือรู้ตัวตลอดเวลาลืมตาเอาไว้ไม่ให้ดิ่งลงในจิตลึกนั้นไม่ต้องปฏิบตัติแล้วก็อยู่ข้างนอกนี่สบายดีเนาะ <c oughs> เห็นไหมเราไปคุ้นเคยกับการกระทำทำลองดูทำลองดูทาโดยที่ไม่ต้องไปควบคุมมันไม่ต้องมีการสั่งการน ะ, ะเดี๋ยวมันรู้เองถ้าเราจะไปหาคำตอบแบบนี้นะเราจะติดบ่วงตลอดเวลาติดบ่วงกิเลสเราไง คุ้นเคยกับว่าต้องมีการกระทําต้องมีการจัดการเพราะครูบอกว่าอย่าไปสุดตรงข้างในพราะมันเข้าไปก็ลากมันออกมาข้างนอกพออยู่ข้างนอกก็ลากมันเข้าไปข้างในชักกระเย อ, อะดึงกันไปดึงมาเหมือนเหมือนทักกระเยอะนะไม่ใช่อย่างนั้นเรื่องจิตวิญญาณไม่ใช่อย่างนั้นอันนี้มีพิยานกระทาเลยเห็นไหมพอจะเข้าจิตก็ยังยังไว้ยังยังไว้มีการกระทําอย่างหนึ่งนะให้เข้าแบบตื้นตื้น ตื้นตื้นนี่ก็มีการสั่งให้มันตื้นตื้นนะเออคือรู้ตัวตลอดเวลาก็นั่งเฉยๆก็รู้ตัวอยู่แล้วเนาะเห็นไหมลืมตาเอาไว้ไม่ให้ดิ่งลงในจิตลึกๆเห็นไหมลืมตาเอาไว้ก็มีการกระทาโดยลืมตาเอาไว้ไม่ให้เข้าไปในจิตลึกๆก็มีการกระทาโดยไม่ให้มันเข้าไปจิตลึกๆควบคุมตลอดเลยชีวิตเรามันไม่เครียดให้มันรู้ไป ทุกกระบวนการเนี่ยคุมตลอดนะหรือแบบไหนถึงจะถูกต้องคะแบบที่มันไม่มีแบบกันละ่ะถูกต้องที่สุดแนวทางซึ่งไม่มีแนวทางนะให้เขาดําเนินไปตามธรรมชาติของเขาเพราะครูบอกแล้วว่าอย่าใช้สมองโง่งๆของเราเนี่ยไปสั่งจิตจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวสมองเป็นแค่ส่วนหนึ่งของร่างกาย เราไม่ฉลาดพอที่เราจะไปสอนให้จิตมันทำอย่างนั้นทำอย่างนี้จงนอบน้อมถ่อมตนคืนชีวิตเราให้กับจิตจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวแล้วก็เรียนรู้กับเขาเขาเป็นครูบาอาจารย์เราจริงๆนะก็คำถามสุดท้ายวันสงการวันที่สิบสามเดือนเมษาทำไมพ่อครูต้อง จัดปาร์ตี้ทำใหม่ง <c oughs> ันนี้ยิงมาตรงๆเลยนะวันสงการเป็นวันปีใหม่ของชาวโลกไม่เกี่ยวกับศาสนาแต่ถ้าแม้กระทั่งศาสนาก็ไม่มีอะไรถูกไม่ได้ผิดถ้าพวกเราไปศึกษานี่เราเร็วนี้ตอนนี้เขาก็มีภาพยนตร์เรื่องพระพุทธเจ้าอะไรนะแล้วก็อีกช่องหนึ่งก็ฉายเรื่องตามรอยพระพุทธเจ้าอะไรนี่นะเขาไปถ่ายทำ ที่ทิเบตวชชลายานเวลาเขาจัดงานใหญ่โตนะครูบาอาจารย์พระคุณจ้าก็ใส่หน้ากากเป็นเทพนั้นเป็นเทพนี้เห็นไหมแล้วก็มาเต้นกันแต่อย่างนั้นถ้าสำหรับสังคมพุทธไทยเราเนี่ยทำไม่ได้โดยเฉพาะเต้นกินลำกินเล่นดนตรีเนี่ยผิดวินัยของเรา แล้วก็คุ้นเคยว่าแล้วเข้าใจว่าไอ้ศูนย์ปฏิบัติธรรมของพ่อครูมันเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมเนี่ยมันก็เกี่ยวศาสนาเนี่ยจัดปาร์ตี้ทําไมนะอันนี้ต้องแยกแยายนะเราเป็นพุทธศาสนิกชนเราส่งเสริมการทําความดีได้ที่นี่มีโรงเรียนโรงเรียนนี่เป็นเรื่องทางโลกเข้าใจไหมแล้วทีนี้ไอ้ปาร์ตี้ตัวนี้จัดทําไมใช่ไหมไม่ได้แปลกนะแนวเราก็เต้นอยู่แล้วเพียงแต่ว่า ที่พระครูบอกชีวิตคือละครเราแสดงบทบาทเป็นคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายแสดงเป็นเด็กทาล ก, ก็แสดงนั่นแหละปีหนึ่งสักปีหนึ่งไปแสดงเป็นบทบาทนักแสดงตัว่ปลดหัวโขนเราดีไหมแต่งยังไงก็ได้ให้คนอื่นมันจำเราไม่ได้นะตอนปีนั้นจัดนะได้ได้ประสบการณ์อย่างหนึ่ง ผู้ภาคษาครอบครัวหนึ่งมาปฏิบัตินานแล้วนะชีวิตเขาก็ดีขึ้นแต่ความเป็นผู้ภาคษานี่หัวโขนบอกไว้กล้าไปทำอะไรอะไรไม่ได้นะผิดวินัยแต่ปีแรกที่เราจัดน่นะปีนั้นน่ะเขาให้คูโก้ระบายหน้าระบายตาอะไรนี่แล้วก็ใส่หน้ากากนะวันนั้นเป็นวันปล่อยผีเต็มที่เลยเพราะไม่มีใครจำฉันได้ หลายปีฝึกมาสู้วันนั้นวันเดียวไม่ได้นี่อิสลมากทุกวันนี้เราถูกหัวโขนนะอายไงไม่ใช่เราอยากอายไม่อยากอายแต่ตำแหน่งมันบล็อกไว้เธอทำอะไรบ้าๆบ่ๆไม่ได้เขามองว่านี่บ้าๆบอๆนะเพราะคูเอ๊ะมันบ้าตรงไหนเหรอมันไปขโมยของใครหรันไปตีหัวใครเหรอมันขาดสติอะไรไหมไม่เลยนะเขาตั้งมั่นกับการทำหน้าที่ของเขา เขาแสดงสมบทบาทของเขาเลยนแต่คนทั้งนอกไปดูว่าอะไรที่ทําแบบไม่เหมือนฉันเนี่ยเอ้มันบ้าหรือเปล่านะก็เอาเป็นว่าไม่มีนัยยะอะไรหรอกไปาถึงว่าเหมือนในทางสังคมเราเฉลิมฉลองปีใหม่เป็นการเตือนสติว่าเราแก่ไปอีกหนึ่งปีแล้วนะนะลองแสดงบทบาทอะไรดูซิแสดงมาหมดแล้วอย่างคนแก่ยุคเจ็ดปดิลองแต่งตัวเป็นเด็กๆดูซิเป็นยังไงเราจะได้ จำได้ตอนที่เราเป็นเด็กๆมันอิสระดีแท้ๆเลยทำไมแก่มาทำไมมันหนักหนาหนักหนาสาหัสเพราะมันติดหัวโขนไงนก็แสดงบทบาทหนึ่งแค่ช่วงสั้นๆในวันปีใหม่เฉลิมฉลองความแก่ของเราทุกคนแก่หมดละแก่อีกปีหนึ่งนะไม่มีอะไรนะทีนี้เราจะไปมองรูปลรูปาศาสนาว่าต้องผ้าพับไว้ต้องเป็นแบบนี้ไงมันเครียดไปหมดมันถึงไม่ไปไหนไง นะก็ติดรูปแบบอยู่ตรงนั้นแหละจิตเราต้องอยู่เหนือสมมุติมันถึงจะอิสระแต่เรามีสติดีเราไม่ทำลายสมมุติแน่นอนทำลายสมมุติเป็นการสร้างกรรมใหม่นะเราอยู่กับสมมุติแต่เราต้องอิสระจากสมมตินัไม่ใช่เป็นทาตมันเราต้องอยู่เหนือสมมุติแต่ไม่ทำลายสมมตินะแต่ทีนี้ถ้าเราฟังเฉ ย, ยๆมันเข้าใจไม่เข้าจิตเราต้องกล้าทากล้าเลยนะ ปีนี้ประกาศล่วงหน้าเหลือเวลาอีกเกือบยี่สิบกว่าวันนะเออแต่งแบบไหนก็ได้ที่ใครจําเราก็ไม่ได้และเราก็ลืมตัวเองชั่วคราวปล่อยผีนะเป็นวันปล่อยผีนะแล้วก็ในวันนั้นเราก็ถือโอกาสในไม่ปีใหม่ที่ศูนย์นี้เราเป็นสองช่วงช่วงออกพรรษาแล้วพระคุณเจ้าท่านเดินทุ ด, ดงมา จำปรรษาโดยประเพณีแล้วถ้าท่านมาจำปรรษาอยู่เกินห้ารูปแล้วก็ต้องทำกะถินถวายให้พรรษาสมบูรณ์ก็เป็นกิจกรรมทำบุญใหญ่ครั้งหนึ่งของศูนย์นะตอนกะถินเนี่ยนะก็เป็นกิจกรรมที่ปัจจัยที่เราได้มาก็มาสร้างศาสนาสถานออต่างๆเพื่อเตรียมความพร้อมนะส่วนพระป่านี้เนี่ยก็เป็นการกุศล ปีหนึ่งมีของครั้งใหญ่ๆช่วงหเดือนพอดีโดยสงการเนี่ยก็มีพระปาเพื่อเป็นกองทุนการศึกษาเพราะว่าพราครูสร้างคนวัตถุเราสร้างแค่เป็นเครื่องมือในการสร้างคนไม่ใช่ไปสร้างเพื่อความยิ่งใหญ่ของวัตถุแล้วก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเลยนะเราสร้างอุปกรณ์สร้าง วัตถุต่างๆเนี่ยเป็นแค่เครื่องมือในการสร้างคนยุวชนเยาวชนคืออนาคตของชาติสร้างชาติสร้างยุวชนเยาวชนนะเยาวชนนั้นโรงเรียนเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งการสร้างทานบา ร, รมีของพวกเราทานศีลภาวนาศูนนิธรรมสามอย่างนะก็เริ่มจากทุกคน เกิดจากสำนึกความพร้อมของตัวเองอย่าฝืนตัวเองทำอะไรทำแค่พอดีนะก็เป็นเวลาหลายปีเป็นประเพณีของศูนย์ตรงนี้นะก็เป็นปกติทีนี้พอพูดถึงเรื่องนี้พรากูก็ชี้ให้เห็นระหว่างทางโลกกับทางธรรมทางโลกเนี่ยเราลงทุนทางโลก เราลงทุนทางโลกทุนนี่หมายถึงส่วนมากก็หมายถึงเงินทุนนะเนื่องจากเราอยากได้เราอยากจะสร้างอนาคตเราลงทุนแม้กระทั่งว่าเราสามารถกล้าไปกู้หนี้ยืมสินมาเพื่อลงทุนนะเออมาซื้อเทคโนโลยีมาซื้อโนฮามาลายๆแล้วก็เอาชีวิตเราเนี่ยทุ่มเข้าไปเลยนะอันนั้นลงทุนแบบทางโลก ทุกอย่างมีผลเสี่ยงไม่ใช่มันจะได้อย่างเดียวนะมันมีเสียด้วยบางทีเราเป็นคนซื่อสัตว์เราตั้งใจทำมาดีๆเนี่ยตอนปีสี่ศูนย์เพื่อนพวกคูอยู่อยู่อยู่กรุงเทพอยู่อะไรๆเนี่ยเจงกันไรเลนะนานาทเลยมันเป็นคนดีมันทำงานมันเสียภาษีให้รัฐบาลมาตลอดพอเศรษฐกิจไม่ดีไม่ใช่ความผิดของมันนะนะเอออยู่ๆเงินดอลลาร์ตอนนั้นร้ยเอ่บ้าบาทตอนหนึ่งเหรียญกลายเป็นห้าหกสิบาทนะเออ เจ๊งไรเลนนาทเล ย, นะเลยไม่ใช่ก็เป็นคนชั่วนะเห็นไหมแต่ทีนี้เราทําอะไรก็ช่างมันเป็นของคู่มันไม่เที่ยงมันไม่แน่นอนผู้เจ้าบอกเดินสังขัยกลางนะต้องเผื่อขาดเผื่อเหลือนะถ้าทําแค่พอดีโอเคพอมันล้มลงไปก็ไม่ได้เก็บเท่าไหร่แค่หัวเข่าถลอกนะแต่ถ้าไปกู้นี่ยิ่จะทำใหญ่ๆเนี่ยล้มลงมาปึ้มตายทั้งเป็นเลยนะไม่มีอะไรเหลือด้วยนะอันนั้นคือเขาเรียกว่าการลงทุนแบบทางโลก แล้วก็พอลงทุนไปแล้วเป็นหนี้สินไปแล้วเนี่ยนอนหลับไหมไม่หลับ ห, นนห่วงนุวนห่วงนี่ความกังวลมันมากกว่าเครียดไปหมดเอออาจจะทําสําเร็จมาบางทีได้เงินมาก็มารักษาโรคเครียดโรคมะเร็งไงอันนั้นคือการลงทุนทางโลกนะเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายคิดไม่หยุดเพราะกลัวไปหมดเลยกลัวจะแพ้กลัวจะไม่สําเร็จนะแม้กระทั่งเป็นคนดีนะตั้งมั่นธุรกิจมาดีๆอยู่นะ อ ย, อยู่เศรษฐกิจมันพังนะไม่ใช่ไม่ใช่เราไปเราทําให้มันพังนะมันองรวมมันพังไม่มีใครเขาอยากพังเนี่ยนะก็ถูกลากไปหมดตกเหวหมดเลยทุกันหมดบางคนฆ่าตัวตายไม่เป็นไรนะเพราะฉันอยู่ไม่ได้แล้วแต่รักลูกเมียมากกลัวลูกเมียมันทุกข์ฆ่าลูกเมียตายก่อนแล้วตัวเองก็ฆ่าตัวตายมันน่าเศร้าไหมนี่คือการลงทุนทางโลกและเป้าหมายเราคืออนาคตอนาคต มันไม่มีมเขาเรียกว่าอันลิมิตมันไม่มีวันจบไม่มีวันสิ้นสุดไม่มีวันสำเร็จเพราะมันใหญ่ไปเรื่อยๆก็ต้องอลุ้นอยู่เรื่อยเครียดอยู่เรื่อยนั่นคือลงทุนทางโลกส่วนการลงทุนทางธรรมนะเริ่มจากเบสิกเราต้องมีอาชีพพวกครูยี่สิหกปีก่อนมาถึงแผ่นดินตรงนี้ เพราครูทำกเกษตรเพื่อชีวิตก่อนไม่ใช่เพื่อธุรกิจทำมาหากินไม่ใช่ทำมาหาขายทำอยู่ทำกินทำทานทำเพราอทำไม่ใช่กเกษตรเพื่อธุรกิจถ้าธุรกิจเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยทุกตั้งแต่วันแรกมันเป็นมิจฉาทิฏฐิเราตั้งโจทย์ผิดแล้วว่าเราทำเพื่อความยิ่งใหญ่ธุรกิจไม่ทำเพื่อชีวิตเราก็ชีวิตไปทุกเพื่อให้ธุรกิจเรามันสําเร็จจิตพ่อครูไม่โง่วันแรกมันก็ตั้งชื่อ เกษตรเพื่อชีวิตไม่ใช่เพื่อธุรกิจนะทำมาหากินไม่ใช่ทำมาหาขายทำอยู่ทำกินเหลืออยู่เหลือกินไอ้ที่เหลือทำทานแจกชาวบ้านแจกคนยากจนนะแล้วก็ไม่มีกำไรไม่มีขาดทุนไม่มีราคามีแต่คุณค่าในชีวิตนะเกษตรเพื่อชีวิตมันทำจากข้างในมันสั่งให้ทำ เราไม่ได้เอาผลงานเราเอามรคผลของคนที่อยู่ร่วมกันปลูกมะม่วงไม่ใช่เอาผลมะม่วงไปประกวดไปแข่งกันให้มันได้ที่หนึ่งได้ที่หนึ่งปีนั้นน่ะไปในเมืองเนี่ยเขาไปประกวดกันนะแล้วก็ไปเดินดูนะเออถ้ามะม่วงเราไปประกวดเดินได้ที่หนึ่งนะมะม่วงน้ําดอกไม้ปีแรกมันออกพอดีนะมันสะสมอาหารมันยาวนานเนี่ยเพราะว่าเราไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้ฉีดยาะลูกบักโตโต้เลย ลูกกิโลครึ่งสองกิโลแล้วเขาเสื อ, อามะม่วงกิโลหนึ่งให้ลูกหนึ่งมันเกินกิโลแล้วแถมมีลูกหนึ่งด้วยนะคือไปแจกฟรีเดี๋ยวไอ้คนมันขายคุณเขาเขจะด่าเราไงเห็นไหมไอ้ประกวดไอ้สวนนั้นใหญ่ที่สุดในอุบล น, นะได้ที่หนึ่งพวกกูก็ไปคุยกับเขาเออธนาคารทกสบเนี่ยลูกค้าชั้นหนึ่งของเขาเลยพวกกูถามทําไมเหรอ มันมีเงินฝากมากกว่าเพื่อนหรอไม่มันกู้มากที่สุดแน่นลูกค้าชั้นหนึ่งไงว่อย่างนี้ไม่เอาไม่เอาอันนี้เราเหลือเฟือเอาไปแจกไปแถมไงเอาของดีๆไปแบ่งเัินกินเไยนั่นแหล ะ, ะเกษตรเพื่อชีวิตไม่ใช่เพื่อธุรกิจทํามาหากินไม่ใช่ทํามาหาขายถ้าขายกําไรค่อยมีเหลือมาซื้อกินถ้าขายขาดทุนก็ไปกู้นี่ยืมสินมามากิน นะแล้วก็ฉีดยาฉีดยาฆ่ า, มาแมลงไอแง้แมลงเธอยังมาแตะของฉันของฉันมะม่วงฉันผักฉันกูจะฆ่ามึงมแมลงกูจะฆ่ามึงฉีดหมดเลยมแมลงไอ้ที่ตายก็ตายไปไอ้ที่มันไม่ตายเนี่ยมันก็เพิ่มภุมคุ้มกันของมันตอนนี้ต้องใช้ยาเข้มข้นอีกทำไปทำมาไอ้คนฉีดตายก่อนมแมลงเป็นมแมลงหมดไอ้คนกินก็เป็นแมลงมาแมลงนะเห็นไหมนั่นแหละเราไม่ได้ทเพื่อชีวิต เราทำเพื่ออนาคตเห็นไหมเริ่มจนนักวิชาการมาอยากได้ผลงานเออแนะนําต้องปลูกนั้นปลูกนี้ใส่ปุ๋ยเคมีเยี่วห้อนั้นเยี่ห่อนี้นี่มันฟังปุ๊บควบคุมไม่ได้ฟังด้วยอถ้าเราทําเพื่อธุรกิจเนี่ยต้องฟังเนี้ยเฮ้ยมีแบบไหนว่ามึงจะเล่งให้มันใหญ่ขึ้นหน่อยหนึ่งให้มันโตเร็วๆอะไรเนี่ยนะนะผลมะม่วงใหญ่มากผลมะม่วงสวยมาก แต่มักคนทุกคนปลูกเป็นยังไงบอกเป็นลูกค้าชั้นหนึ่งนี่นี่มากที่สุดเลยลูกค้าชั้นหนึ่งแบบนี้เอาไปทำไมนะนี่ก็ให้เข้าใจนะคือลงทุนแบบทางธรรมเนี่ยลงทุนลงแรงพวกเราเอาแรงมาเป็นทุนคนโบราณเน่ยเขาลงทุนลงแรงเขาใช้แรงเป็นทุนแต่วันนี้ต้องใช้เครื่องจักรต้องใช้เงินเป็นทุน ซื้อปุ๋ยซื้ออะไรนะเริ่มต้นก็ขาดทุนแล้วนะเป็นลุ้นเอาว่าถ้ามันกำไรค่อยค่อยคอ ย, ค, ยคืนทุนอันนี้แหละไม่ใช่ทางสายกลางถ้าเราลงแรงเป็นทุนเนี่ยเราไม่ได้เสียอะไรนะได้ตั้งหากอีกนะได้ออกกำลังกายทุกวันเห็นไมแข็งแรงอีกคุณยายปลูกผักข้างนอกมันปลูกแตงโมปลูกฟักแฟงฉีดยามันแมลงก็วิ่งเข้ามาในไร่เรานะ ปรากฏว่าผักคุณยายสอนเนี่ยเหลือแต่ก้านเหลือแต่ก้านเหลือแต่ก้านพ่อพคูไปดูอึ้งน่าเอ็นดูนะแกโกรธมากเลยแกบอกว่าประชุมกันแกบอกว่าก็เห็นไหมนี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไงน่าเอ็นดูมากเลยแกบอกปลูกทําไมบอกสั่งให้ปลูกก็ปลูกพ่อครูมีจะกินทุกคนก็มีจะกินแกบอกรู้ทําอะไรโง่ๆทาไมมันไม่มีจะกินไม่คือปลูกแล้วมันไม่ได้กิน่ะ นะพวกครูบอกคุณยายปลูกนะไปเอาไปฟังนักวิชาการเขาบอกนะฉีดยายให้มแมลงมึงตายหมดเลยนะใส่ปุ๋ยเล้งมาเลยนะแล้วคุณยายเอาผักตัวนี้ไปเลี้ยงพระที่วัดคิดว่าได้บุญเหรอไปฆ่าพระผ่อนส่งฆ์นะบาปคุณยายปลูกให้มแมลงมันกินทุกวันเนี่ยสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นได้บุญทุกวันทำไมไม่ดีใจ ตอนนี้คนที่ไล่เนี่ยอยู่กันครบถ้วนไม่เป็นแมลงสักคนหนึ่งเห็นไหมแล้วมีอะไรไม่ดีเหรอไม่ต้องฆ่าสัตว์เลี้ยงสัตว์ทุกวันเห็นไหมแล้อย่าลืมนะมแมลงนั้นตัวหนึ่งบางตัวใดตัวหนึ่งเคยเป็นพ่อแม่เราในอดีตนะในยุคที่เราเคยเป็นมแมลงด้วยเลยนะีเ้ยงมนัน ไอ้ที่มันเหลือกินแล้วนะ่ะหลักเป็นของเรามันมันทดสอบแล้วว่าเฮ้ยแสดงว่าไม่มีพิษเห็นไหมถ้าถ้าเราปลูกไปขายเนี่ได้เหรอไม่ได้มันไม่สวยนะไม่ได้ราคาไงก็ไปลงทุนไงก็เลยขาดทุนนะก็อันนั้นลงทุนแบบพื้นฐานเราต้องอยู่ต้องกินนะลงแรงลงทุนลงทุนลงแรงใช้แรงงานกลายเป็นทุน ปลูกมะม่วงต้นหนึ่งเนี่ยไปเก็บเม็ดมะม่วงมาก้าไว้ไม่ต้องเสียตังค์นะขุดวันหนึ่งอย่าขยันหลุมหนึ่งก็พอเดือนหนึ่งสามสิบหลุมปีหนึ่งสาม้อยหกสห้าหลุมเอาไปปลูกปูกปูกปลู ก, ล ก, ล ก, ล ก, ลกไม่เสียเงินสักบาทหนึ่งนี่ลงทุนลงแรงคนอื่นเขาสามปีได้ลูกแล้วเราสี่ห้าหกปีเนี่ยก็ช่างหัวมันเราไม่มีต้นทุนไม่มีกำไรไม่มีขาดทุนไม่มีราคา ไม่ต้องเสียดอกเบี้ยอะไรเนี่ยเราจะไปกลัวมันทำไมต้นไม้ที่มแมลงมันลบกวนมันบ่อยๆนะถ้ามันไม่ตายนะมันสร้างภูมิคุ้มกันมันจะแข็งแรงกว่าต้นไม้ทั่วไปถ้าเราเข้าถึงธรรมแล้วเนี่ยเราจะเห็นสิ่งนี้นะเราจะไม่ไม่ทำร้ายสิ่งแวดล้อมและตอนนี้ชีวิตเราก็สมบูรณ์อากาศก็ไม่เป็นพิษใช่ไหมก็อันนี้ขั้นพื้นฐาน ส่วนขั้นเจริญสมถะวิปัสสนาเห็นไหมเราก็ไม่ต้องใช้เทคโนโลยีไม่ต้องใช้เงินทุนอีกเรามีเครื่องมือแล้วเต็มเปี่ยมกายเวทนาจิตธรรมเห็นไหมแค่ลงทุนลงแรงเหมือนกันก็เอาแรงเรามาลงทุนเจริญสมถะวิปัสสนานะ พอปฏิบัติไปปฏิบัติมาจิตมันหลุดออกมาจากความอยากตัว น, นั้นแล้วเนี่ยมันก็ไม่กระเพื่อมมันสงบนิ่งเป็นปกติอารมณ์ศินก็แสดงตัวแล้วศินคือความปกติของจิตนะเออบางคนยังไม่ถึงตรงนั้นเขาก็บอกให้ถือศินห้าอะไรนะเออเข ถ, ถือถือดุดดดนะบางคนมาที่วัดบอกไปไหนไปเอาบุญนะเออพระท่านก็ให้ศินห้ามาแบกไปถึงครึ่งทางเพื่อนควักมือมาเฮ้ยเอามาขวดหนึ่ง ชนแก้วปุ๊บเนี่ยหายไปหนึ่งศีนบเหลืออยู่สศีนกับบ้านก็ยังดีกำไรนะเห็นไมไม่ใช่ศีนแบบนั้นเห็นไศีคือความปกติของจิตทาสานไม่ต้องถือศีนทาสานมีศีนอยู่แล้วเต็มเปี่ยมทาสานมันไม่ง่ไปกินเหล้าไม่สูบบุหรี่มันไม่ต้องโกหกเลยยพอ่อพูดภาษาก็ไม่เป็นไงมันไม่มีความอยากทำไมไมันต้องไปโกหกคนอื่นศีนคือความปกติของจิต ทุกดวงกิจมีอยู่แล้วนะแต่ตอนนี้มันถูกครอบงาด้วยความโลภโกรธหลงความรู้ผิดไงสินมันก็เลยหายไปมไม่ได้หายไปไหนหรอกมันถูกครอบงําไว้เราก็มีหน้าที่เหวี่ยงมันทิ้งเหวี่ยงมันทิ้งเปิดม่านพวกนี้ออกสินมันก็แสดงตัวเมื่อสินแสดงตัวแล้วมันพร้อมที่จะเจริญปัญญาอันนี้เห็นไหมเราลงทุนลงเลยล ง, ลงทุนยังไงลงทุนโดยลงแรงอีกมันเก่าไม่ต้องไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินเข้ามา และลงทุนตรงนี้เนี่ยเครื่องมือเต็มเปลี่ยนอยู่แล้วนะไม่ต้องใช้เทคโนโลยีไม่ต้องเป็นนี่ใครไม่ต้องขอวีซา่าง่ายที่สุดแต่ถ้าเกิดเราทำได้เมื่อไหร่เป็นจริงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่มีอะไรที่ยิ่งใหญ่กว่าสิ่งนี้อีกแล้วเพราะความยิ่งใหญ่มันน่ะมันอยู่ข้างในเรียบร้อยแล้วถ้าจิตเข้าถึงความว่าง ความว่างยิ่งใหญ่ที่สุดจั ก, กรวาลหลายๆจั ก, กรวาลลอยทุบป่องทุบป่องอยู่ความวุ่นความว่างเห็นไหมมันใหญ่แค่ไหนล้อมล้วงไม่ได้เลยผู้เจ้ายิ่งใหญ่ทวงไปเห็นสิ่งนี้ได้อย่างไรแล้วรู้วิธีแก้ด้วยรู้วิธีไปด้วยแต่พวกเรามองข้ามเพราะเราไม่เข้าใจชีวิตนะอันนี้ลงทุนแบบทางธรรม วิธีไหนก็ได้ทำไปเถอะอย่าไปเถียงกันวิธีนั้นดีๆแต่ต้องทำอย่างเสมอต้นเสมอปลายอย่างตั้งมั่นมีศรัทธามีวิริยะมีขันติยึดหลักทางสายกลางนะทางสายกลางก็คือว่าไม่ทำให้ตัวเองเดือดร้อนไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนทำให้แค่พอดีเราเราต้องรู้ว่าพอดีเราอยู่แค่ไหนไม่ใช่ช้างขี่ไปขี่ตามช้างนะเออคนนี้มัน อดข้าวได้เจ็ดวันแปดวันฉันก็เอาบ้างเราวันหนึ่งเราก็เป็นลมแล้วเนี่ยเราต้องดูว่าแค่ไหนมันเหมาะกับเรานะเราทำสามอย่างทานศีลภาวนานะสลัดส่วนเกินเราออกไปทำลายความโลภความตนีเรามันไม่ได้สูญไปไหนนะที่เราสร้างวัตถุทางโลกเราลงทุนลงแรงอะไรเนี่ย แม้กระทั่งมีเงินกองเท่าภูเขาเลยวันที่เราตายกลับบ้านเก่าแล้วเนี่ยเอาไปไม่ได้แม้จะบาทหนึ่งแต่การลงทุนทางธรรมเนี่ยเห็นไ้มสิ่งที่เราทำอยู่ทุกวันนี้เนี่ยเหมือนเราไปออกกำลังกายอยู่ในสวนดุโสโซเราเป็นนักกีฬาถึงจะแข่งแพ้ก็ช่างแต่ความแข็งแรงเราก็ยังอยู่ยิ่งเราฝึกจิตเนี่ยนะเราทำทำทานเนี่ยทาบุญทาทานทานบุญเกิดจากการให้ทานคือสลัดออก นะคนอื่นไม่รู้ช่างมันจิตบันทึกไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราทํากุศลลรทานนะอันนี้กลายเป็นอริยทรัพย์เกิดชาตินี้ยังไม่ถึงฟังเอาไปเผาไม่ได้หายไปไหนอริยทรัพย์ตรงนั้นน่มันข้ามพพข้ามชาติไปใช้อนาคตแต่ชาติได้เห็นไหมก็เลือกเอาเองนะบางทีทางโลกเราก็ต้องทำแต่ทำแค่พอดีนะอย่าให้ตัวเองเดือดร้อน เพราะอยากได้มากๆแล้วก็ทำอะไรเกินตัวความกังวลเราก็กังวลไงเพราะเราเป็นหนี้เขามากมาย ไ, ไม่จ่ายก็ไม่ได้มันเป็นอารมณ์ที่ทำงานอย่างไม่มีความสุขนะโลกก็ต้องทำเราอยู่กับมันนั่นแหละเราหนีมันไม่ได้ทุกคนต้องมีอาชีพนะก็ชี้ให้เห็นแล้วตอนนี้สังคมบ้านเราเขาก็กำลังทั่วโลกละ ทุกคนต้องปฏิรูปตัวเองปฏิรูปสังคมเพามันเปลี่ยนไปเรื่อยมันเปลี่ยนเร็อยู่เฉยไม่ชอบก็เปลี่ยนรุ่นใหม่มาก็ต้องไปเรียนรู้รุ่นใหม่ต้องไปหาเงินซื้อรุ่นใหม่มาตลอดเวลาทาไปทามาก็งงไปหมดนะงงไปหมดเออการขายลอตเตอรี่ตอนนี้เขาบอกว่ามันไม่ดีราคามันแพงนะตอนนี้นะ้ำมันมันถูกแล้วทาไมดิ้นดิ้นโน้มดิ น, ดนตายกันสังเกตไหม ที่ผ่านไปบอกว่าราคาน้ํามันเนี่ยเนื่องจากมันแพงมากต้นทุนเราสูงเราสู้เขาไม่ได้ตอนที่น้ํามันมันลงมาหมดเนี่ยก็เกือบตายตายจริงๆแล้วเรื่องลอตเตอรี่ทุกวันนี้เขาบอกเขาจะแก้ให้ขายอยู่สี่สบาทตามอัตรานั้นเพราะคูคิดใจเป็นกลางๆนะมันไม่ใช่เรื่องสําคัญอะไรในสังคมเลยมันเป็นเรื่องที่ว่าไม่ใช่เราขาดลอตเตอรี่เราเราจะตาย ไม่บังคับให้ใครซื้อนะมันเป็นเรื่องพอใจของเขาถ้าเราคิดให้มันถูกๆเนี่ยนะเหมือนเราส่งเสริมอบายมุกนะทําไมรถยนต์คันหนึ่งมาสมัยพ่อกูกลับอเมริกาจากใหม่ๆนะรถกระบะคันแรกไปซื้อตอนนั้นอีสูสินะยี่สิบหกปีก่อนนะราคามันสองแสนกว่าบาทตอนยี่สกปีก่อนแต่อเมริกาคิดเป็นเงินไทยแสนเดียวแล้วก็รถยนต์ที่เข้าไปอเมริกานี่ เหล็กต้องแข็งกว่าอะไรทุกอย่างต้องดีกว่าบ้านเราเห็นไหมรถยนต์กระบะเนี่ยเป็นรถยนต์ที่พวกคนจนต้องใช้อยู่เนี่ยนะแล้วก็ไปอ้างว่าเพื่อไม่อยากให้มันรถติดเพื่อไม่อยากให้มันเผานื้อมั น, มนก็เก็บภาษีแพงๆเลยแ่ะแต่รถมันก็เต็มบ้านเต็มเต็มไอ้ที่ควรถูกไม่ถูกไอ้ที่ควรแพงไม่แพงแล้วบางอย่างเกษตรก ร, กรยากจนก็บอกว่าต้องไปไปตามกลไกตลาดคือต้องให้มึงจนตลอดไป ลอตเตอรี่ต้องปล่อยไปตามกลไกตลาดยิ่งแพงยิ่งดีแพงคุณก็อย่าไปซื้อสิเขาซื้อเขาพอใจอยู่แล้วเนี่ยเป็นเพความพอใจของเขาก็ให้เขาซื้อมันเป็นความสนุกของเขาความสุขก็ให้เขาซื้อนี่คือคกลไกตลาดไงทำไมจะมาเปลี่ย น, นกลไกตลาดมันกลับกันนะอันนี้มันเป็นเรื่องของมันไม่ใช่เรื่องสาคัญของชีวิต เราซื้อก็ได้ไม่ซื้อไม่เป็นไรจริงๆแล้วไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องใหญ่ตอนนี้ว่าคนจนไม่มีจะกินคนปลูกข้าวแต่ไม่มีจะกินนะตอนนี้นะเพราะามันไม่คุ้มไงเห็นไมคือบางอย่างเนี่ยมันสับสนมันงงไปหมดเลยนะตอนนี้ไม่รู้จะไปทางไหนนะพวกครูพูดอย่างนี้ไม่มีใครถูกใครผิดนะมนุษย์เราสรับสน ถ้าคำว่าเสรีจริงๆก็ปล่อยไปตามกลไกตลาดมันนะใครพอใจซื้อใครไม่พอใจซื้อแต่ตอนนี้ไม่ใช่ภาคเกษตรเราเนี่ยมันไม่อยู่กลไกตลาดมันมีคนกลุ่มหนึ่งที่ได้ประโยชน์มหาศาลแล้วไปกดเขาเท่านั้นเองอันนี้พราคุยอยู่ที่นี่พราคุยอยู่กับคนจนที่นี่พราคุรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นอันนี้เล่าให้ฟังอะไรก็ช่างอยู่ที่เจตนานะแม้กระทั่งร้านขายเหล้าร้านขายเหล้านะพูดถึงว่า ผู้เจ้าบอกให้ละเว้นอย่ากินเหล้าอย่ากินเครื่องก่อนเพราะว่าพรักผมบอกให้ละเว้นไม่ได้ห้ามนะให้ละเว้นเพราะว่าเก้าส่เก้าเป็นี่ยไปกินปุ๊บมันก็ขาดสติขาดสติปุ๊บมันก็ไปสร้างกรรมใหม่นะอรหันต์จี้กงกินเหล้าทุกวันเป็นอรหันต์ได้นะถ้ากินเหล้าได้ต้องกินไม่กินโง่แต่ถ้ากินเหล้าแล้วมันเสียไปฝืนกินเนี่ยไอ้งั่ง เสียสุขภาพเสียเงินเสียทองเสียสติเสียเพื่อนฝูงน่ะไอ้งัางเลยละ่ะแต่ถ้ากินเหล้าได้สมัยโบราณเนี่ยเขากินเหล้าดองยาเพื่อเป็นกระสนะไปประชุมกันโต๊ะกลมคุยเรื่องร้อยล้านพันล้านเอาไวน์มาขวดหนึ่งสองแสนนะจิบคนละจิบหนึ่งกินเป็นกระใสปุ๊บเซ็นทญญาต่างคนต่างได้ประโยชน์อันนั้นกินแล้วมันได้ก็กินเถอะ แต่ถ้ากินแล้วมันเสียเสียสุขภาพเสียสติเสียเสียบุคลิกภาพแล้วก็ไปเสียทําให้เราสร้างกรรมอันนั้นนะ่ะกินแล้วมันเสีย น, นั่นโง่ผู้เจ้าไม่บอกไม่ได้ว่าห้ามพระองค์บอกละเว้นกรรมชี้เจตนาถ้าคนนี้เขาขายเหล้าอยู่เขาขายอย่างซื่อสัตย์เขาไม่เอาเหล้าเทียมเหล้าปลอมมาขายเออเหล้าจริงก็ราคาอย่างนี้นี่ก็บอกราคาเนี่ยเขาไม่ได้บังคับให้ใครไปซื้อ เขาไม่มีเจตนาที่จะไปโกหกคนไหนเขาไม่มีเจตนาที่จะเอาเปรียบใครเขาก็ทําตามกติกาสังคมก็ไม่ได้ผิดอะไรหลายแหลนะ่นะศีลคือความปกติของจิตพก่กครูผ่านมาแล้วพวกครูไม่มีศีลห้าหรอกแต่ไม่ได้บอกให้ทุกคนต่อต้านศีลห้าไม่ใช่ถ้ายังไม่เข้าถึงตรงนั้นเออเรามีศีลเราถือศีลก็ยังดีอยู่เพราะว่ามันเป็นการเตือนสติอย่าให้เราไปเผลอไปทําอะไรที่ มันจะไม่เป็นประโยชน์ต่อตัวเองแล้วผู้อื่นเป็นกรรมนะแต่พ่อครูแน่ใจเนชีวิตพ่อครูเนี่ยคือขอมาให้เลยไม่มีศินห้าหรอกนักเลงเรียกว่าพี่พราะครูอยู่รอดมาได้เพราะไอ้ตัวนี้ขอมากรัวให้เลยไอ้ตัวนั้นเป็นทานโดยเราไม่รู้นะนเป็นนิสัยเราเก่านะไอ้ตัวเนี่ยคํายันเรานะแต่สินห้าไม่มีบางคน วางฟอมมีศินห้ามีหมดเลยนะนะแต่ไม่เมตตาขี้เหนียวไม่ให้ใครเลยทำอว่าไม่มีประโยชน์ไหมเนี่ยเหมือนเราปฏิบัติแล้วไม่นําไปประพฤติเนี่ยมันเป็นแค่รูปแบบปฏิบัติแล้วเป็นหลงว่าฉันเก่งอะไรยังไงไม่มีประโยชน์ถ้าปฏิบัติแล้วนี่ไม่มานำไปประพฤติพฤติกรรมเราไม่มาเปลี่ยนเราเราไม่มีเมตตากรุณาเมตตาอุเบกขาไม่มีประโยชน์อะไรเลยปฏิบัติไร้สาระ พิธีไหนก็ช่างสู้คนไม่ปฏิบัติดีกว่านะที่เขาเขายังให้ได้อภัยได้มีเมตตามีการุณานะเราปฏิบัติเรายิ่งต้องมีมากกว่าคนอื่นเขาไม่ใช่ปฏิบัติแล้วไปหลงว่าตัวเองเก่งแต่ว่าพฤติกรรมไม่เปลี่ยนเลยอย่างนี้ยังไปยึดมั่นถือมั่นไปสนองกิเลสอยู่อย่างนี้อันนี้ปฏิบัติเสียของนะ ปฏิบัติเร้ต้องนำไปประพฤติแน่นอนแรกๆนี่อินทรีย์พรลระของจิตเราไม่พอเราต้องฝืนกิเลส ต, ตัวเองหน่อยหนึ่งเมื่อฝืนบ่อยๆฝืนบ่อยๆฝืนบ่อยๆ น, นะกิเลสมันก็อ่อนแอมันก็หลอกเราไม่ได้นะก็วันนี้ก็ใช้เวลาพอสมควรก็คำถามคาตอบนี่ใครมีอะไรก็เขียนมานะอาทิตย์หนึ่งมีครั้งหนึ่งแล้วก็ อันนี้ก็พ่อครูจะได้ไม่ต้องพูดมากต่อไปนะเดี๋ยวเขาจะรวมเล่มอะไรพวกนี้แล้วก็มันก็มีแค่ไม่กี่คำถามหรอกทุกคนก็เจอแบบนี้นั่นแหละทําไมอะไรยังไง <c oughs> เมื่ อ, อไหร่จะบรรลุนะบอกปวดท้องเข้าห้องน้ําก็บรรลุเลยบรรลุทุกวันนั่นแหล ะ, ะ <c oughs> ไม่ต้องอยากมากนะก็ก็ห้อยศรัทธาทําไปเรื่อยๆนะทำไปเรื่อยๆ โดยเฉพาะทำอะไรทำง่ายๆแค่สามอย่างคือทำดีละชั่วขัดเกลาจิตให้ผ่องใสเอาทำดีทำยังไงทานทานยังไงวัตถุทานธรรมาทานอภัยาทานละชั่วละอย่างไรก็ศีลไงนะเรายังไม่เข้าถึงศีลบริสุทธิ์เราก็เอาศีลที่เป็นวิ น, นัยตัวนี้เนี่ยมาเตือนสติเราอย่าสร้างกรรมใหม่ ละชั่วทำยังไงก็จเจริญภาวนาสูนีิธรรมทุกวันอยู่แล้วแค่นั้นเองก็ทำไปเรื่อยๆละไอ้ลังเลสงสัยต่างๆไอ้นิวรต่างๆมันก็จะหายไปเรื่อยๆนะแต่ทุกอย่างต้องเสมอต้นเสมอไปนะออมีบางคนถามหลวงพ่อชาว่าทำไมต้องปฏิบัติธรรมท่านถามว่าทำไมต้องกินข้าวคำตอบก็เหมือนกันปฏิบัติธรรมยิ่งสำคัญกว่ากินข้าวอ เ, ออเราไม่ต้องกินข้าวเราไปกินมันก็ได้ใช่ไหมก็ไม่ตายนะแต่ปฏิบัติธรรมนี้ตายไม่ปฏิบัติธรรมนี้ตายทั้งเป็นเลยเราตายทั้งเป็นนะเราเป็นธาตของจิลเลตันหาอุปทาเนเห็นไหมนั่นแหละทําไมต้องปฏิบัติธรรมมันเป็นหน้าที่ของเราเราเกิดมาเป้าหมายคือพ้นทุกข์ถ้าไม่ฟังพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยเราจะพ้นทุกข์ใดพุทธเจ้าบอกเป็นทางทางเดียวเท่านั้น แต่มีหลายอุบายวิธีรักชอบอยังไงก็ทำแต่ไม่ใช่ปีหนึ่งสามร้อยหส้าวันไปเข้าค่ายสิบวันนะอีกสองร้อยห้าสิกว่าวันไปซิ่งมันน้ำน้อยยอมแพ้ไฟนะปฏิบัติทำต้องปฏิบัติทุกวันไม่ใช่ไปเรียนวิชาใดทั้งนั้นมันเป็นวิธีมักเนกเป็นวิธีต้องทำเป็นกิ จ, จนาประญาวันเราไปเรียนหนังสือก็ปฏิบัติทำ เรามีหน้าที่เรียนหนังสือเราก็ตั้งใจตั้งมั่นอยู่กับการเรียนหนังสือมีสมาธิอยู่กับมันนั่นปฏิบัติธรรมเห็นไหมเราเล่นกีฬาก็ตั้งมั่นอยู่กับการเล่นกีฬานั่นคือปฏิบัติธรรมเออเรายืนเราก็อยู่ตั้งมั่นอยู่กับการยืนไม่ใช่ยืนด้วยไปคิดถึงอนาคตอดีตเราไม่ปฏิบัติธรรมอันนี้เราสร้างมโนกรรมปฏิบัติธรรมคือหน้าที่ต้องทําทุกวันทําทุกนาทีทุกลมหายใจเข้าออก ไม่ใช่ไปเข้าคอร์สเรียนวิชานะ่ยบอกฉันรู้แล้วรู้แล้วปฏิบัติธรรมไม่ใช่มาเรียนรู้วิชารู้เทคนิคนะี่จ้บอกรู้แล้วนะ่ะเอออันนั้นก็รู้นั่นก็รู้รู้รู้รู้รู้รู้ไปหมดเลยนะแต่ไม่รู้จริงสักอย่างหนึ่งนะี่ยไม่ได้เรียกว่าปฏิบัติธรรมนะมก็แถมนิดหนึ่งนะนิดหนึ่งนิดหนึ่งเอออีกหนึ่งนาทีนะ อ, อ, อาจารย์เซนเนี่ยเขานิมนต์ให้ไปสอน พอท่านก็ไปถึงเนี่ยนั่งสมาธิใหญ่เลยท่านด่าเลยมานั่งอยู่เฉยๆทำไมทำไมไม่ปฏิบัติธรรมทุกคนงงหมดเลยเขาก็กำลังปฏิบัติธรรมอยู่ไงนั่นไปดูพระองค์นั้นกำลังปฏิบัติธรรมอยู่ท่านนอนกลวยเปอยู่นัะ น, น, นี้ไปนั่งกดมันไว้มานั่นฝึกแค่สมาธิจเจริญสตไิไปเวียนวิชาบอกท่านบอกว่าไร้สาระ เราไปเข้าใจว่าปฏิบัติธรรมต้องไปนั่งฝึกสมาธิสติอันนั้นไม่ใช่ปฏิบัติธรรมอันนั้นฝึกวิชาสมาธิวิชาสติปฏิบัติธรรมต้องเจริญมรรคผลนิพพานไม่ใช่สติผล น, นิพพานไม่ใช่สมาธิผลนิพพานหิวก็กินง่ว ง, งวก็นอนเล่นกีฬาก็เล่นเรียนหนังสือ ก, ก, ก, ก็เรียนทํางานก็เรียน น, น, น, ย น, นั่นคือปฏิบัติธรรมธรรมะคือหน้าที่หน้าที่คือธรรมะอันนี้ไม่ทําหน้าที่ไปนั่งฝึกวิชาสมาธิเข้าใจนะ ปฏิบัติธรรมไม่ใช่ไปนั่งฝึกวิชาใดๆทั้งนั้นคือทำหน้าที่อย่างตั้งมั่นอยู่ปัจจุบันโอเคนะสุดท้ายนี้ก็ขอรัตนาคุณพระศีลรัตนาใจและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในส า, นากลจักรวาลพร้อมทั้งบุญบรารมีที่ได้ร่วมกันประพฤติปฏิบัติมาได้คุ้มครองให้ทุกคนอยู่เย็นเป็นสุขอายุมั่นขวัญยืนบรรลุมรรคผลนิพพานโดยไวยเทิณ